มีใครอยากจะถามอะไรนะั้ยอยากจะถามอะไรนะั้มไม่ถามาแสดงว่ารู้แล้ว <c oughs> รู้แล้วแต่ยังทำไม่ได้ห <c oughs> <c oughs> รือว่าต้องกรวงต้องปล่อยแต่ยังยึดยังติดอยู่ยังอยากอยู่ ยังห่วงอยู่ยังห่วงอยู่ยังรักอยู่ยังชังอยู่เ <c oughs> ขาหมดเลยเป็นทุกอย่างก็ยังดียังมีความพยายามเ <c oughs> พราะว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นทำไมต้องละทำไมต้องปล่อยทำไมต้องวางทำไมต้องตรง พอปล่อยแล้วมันสบายใจตรงแล้วมันสบายใจยึดติดแล้วมันทุกข์พอพอเรายึดติดแล้วเราก็หวงเราก็หวงไม่อยากให้เขาจากเราไปพอเขาจากไปก็เสีย อ, อกเสียใจถ้าปล่อยถ้าตรงได้ก็จะไม่หวงไม่หวงเขาจะไปเขาจะอยู่ก็ไม่ เกิดร้อนไมเสียใจสบายใจศาสนาพุทธสอนให้เราสบายใจกันไม่ได้สอนให้ร่ำรวยคนสมัยนี้กลับถูกหลอกว่าเข้ า, า, ขาวัดเพื่อจะได้รวยเข้าวัดมันจะรวยยังไงต้องโจ น, นสิเอาเงินเข้าวัดแลวเอาเงินออกวัดใช่ไหมเวลาเรามาวัด เ, าาเอาเงินที่วัดหรือเรามาเอาเอาเงินมาให้วัด นั่นอแล้วเราจะรวยได้ไงมันก็มีแต่จนน่ะแต่จนแล้วมันสบายเข้าใจเปล่าร ว, วยแล้วมันทุกข์พะเจ้าเคยรวยมาแล้วพะเจ้าบอกเป็นขอทานดีกว่าสบายใจกว่าไม่ต้องมีอะไรมาคอยดูแลรักษาไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง พระพุทธเจ้าท่านฉลาดท่านเห็นว่ารวยแล้วทุกจนแล้วสุขเราเรากับเห็นตรงกันข้ามเรากับเห็นว่ารวยแล้วสุขจนแล้วทุกทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเนยพราเราไม่เห็นตอนที่มันทุกเราเห็นตอนที่มันสุข เ, เวลาเงินหมดเนะี่ยมันก็จะเห็นว่ามันสุขว่ามันทุกข์เวลาที่ต้องหาเงินมันก็ทุกข์แต่เราไม่มองมันว่าทุกข์หาเงินนี่สบายไหมเหนื่ยยอยไหมเราเห็นแต่ตอนใช้เงินให้เงินสุขแต่พอเงินหมดมันก็ทุกข์ มันต้องหมดมนมันเนื้อวันมันต้องมีวันที่เราจะใช้เงินไม่ได้กันเวลาเราแก่เวลาเราเจ็บใข้ได้ป่วยเวลาเราตายนี่เราก็จะใช้เงินไม่ได้โดยเวลามีสงครามเนี่ยดูประเทศที่เขามีสงครามเลยมีอะไรซื้อไม่มีอะไรซื้อมีแต่สร้างกหล่ำฮักพัง นั้นมีเงินก็เหมือนก็ไม่มีแต่คนที่เขาไม่มีเงินเขาก็เาก็ไม่ทุกข์เพราะเขาอยู่เขาเขาชินอยู่กับการไม่มีเงินชินอยู่ ก, การไม่ใช้เงินเขาก็อยู่ไปตามมีตามเกิดตามภาษาของเขาถ้าจะทุกข์ก็ทุกข์เพราะความอยากอยากได้เงินได้ทอง เวลาไม่มีก็ทุกข์ทุกข์เพราะว่าอยากมีแต่ถ้าไม่มีเงินแล้วไม่อยากมีก็จะไม่ทุกข์พระพุทธเจ้ากับพราสาวของพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ไม่มีเงินทองแต่ท่านไม่ทุกข์เพราะท่านไม่มีความอยากจะมีเงินทองท่านไม่ต้องใช้เงินทองท่านสามารถอยู่ได้โดยที่ มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินทองเป็นเครื่องมือพวกเราต้องใช้เงินทองเป็นเครื่องมือซื้อความสุขกันซื้อความสุขทางตาซื้อความสุขทางหูซื้อความสุขทางลิ้น<ม>ทางจมูกมทางทางร่างกายเราถึงจะมีความสุขกันพอเราไม่มี ปัญญาที่จะซื้อความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายเราก็จะทุกข์กันหรือเรามีงานแต่ร่างกายมันไม่มีปัญญาตามันไม่ดีหูมันไม่ดีแล้ให้ดูอะไรก็ดูมองไม่เห็นมองแล้วภาพผ้ า, าฟังก็ฟังไม่ค่อยได้ยินอันนั้นก็ไม่รู้จะหาความสุขอย่างไร พอหาความสุขไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นความทุกข์ไปพระพุทธเจ้าท่านหาความสุขโดยต้องโดยไม่ต้องใช้เงินได้ท่านหาความสุขด้วยการควบคุมใจทำใจให้สงบใจสงบแล้วใจจะมีความสุขสุขกว่าความสุขที่ได้เรา ที่เราจะได้รับจากทางตาหูจมูกลิ้นกายพอได้ความสุขจากความสงบแล้วตาหูจมูกลิ้นกายจะดีไม่ดีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรจะมีเงินทองไม่มีเงินทองเพื่อจะซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่เดือดร้อนพอไม่ต้องใช้แล้วพอมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เกิดจากการควบคุมใจให้สงบได้ เป็นความสุขที่วิเศษกว่าความสุขทั้งปวงทำให้พระพุทธเจ้าพระสาวกไี่อยู่แบบคนจนได้ท่านไม่มีสมบัติมากหรอกมีแค่แปดชิ้นเท่านะั้นสมบัติของพระพุทธเจ้าผ้าสามผืนะบาทหนึ่งใบผ้าก็เป็นเครื่องนุ่งห่มบาทก็เป็นเครื่องมือหากิน มีบาทใบหนึ่งตอนเช้าก็าไปเดินเข้าไปเนี่ยบาทวิเศษถ่ายแล้วถ่ายอีกถ่ายเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่เต็มท่านี้บาทใบนี้เต็มันก็เทออกเต็มก็เทออกเนี่ยบาทวิเศษเนี่ยผ้าก็ผ้าวิเศษเนี่ยชุด น, นี่ไปไหนไปได้ทุกแห่งทุกคนไปได้ทุกงาน งานสอบไปได้งานแต่งงานก็ไปได้งานมันเกิดก็ไปได้เองานในวังก็ไปได้งานที่ไหนไปได้หมดชุดนี้ชุดสากรเลยแสมบัติสี่ชิ้นแล้วนะบาดหนึ่งใบผ้าผ้าสามผืนทําไมต้องสามผืนก็ผ้านุ่งผืนหนึ่งผ้าห่มผืนหนึ่งแล้วผ้าห่มกันหนาวที่พระ ท่านผ้าดไหลนี่เป็นผ้าห่มกันหนาวสมัยยุคแรกๆนี่ท่านมีแค่สองผืนนั่นเองเพราะว่ามันไม่มีคนถวายผ้ากันพระต้องไปหาผ้าที่เศษผ้าที่เขาทิ้งในป่าช้าผ้าห่อศพสมัยก่อนเขาไม่เผาศพก็ห่อศพแล้วก็เอาไปทิ้งในป่าช้าผ้าก็พ้าก็ไปเก็บเศษผ้าเนี่ยที่ ที่เขาหอสุ็แล้วก็เอามาปะมาเย็บมาตัดมาต่อแล้วก็เอามาซักมาย้อมต้มน้ำร้อนเอาแก่นไม้ใส่ก็ไปในน้ำร้อนทำให้มีผ้าออกสีเหลืองๆอแก่นไม้สมัยนี้เขาใช้แก่นขนุนแต่สมัยก่อนไม่รู้เขาใช้แก่นอะไรสมัยพุทธกาลไม่รู้มีต้นขนุนหรือเปล่าแต่แต่มีไม้ที่ต้มแล้วมันออกสีเหลืองๆก็ย้อมไปเลยทั้งซักทั้งย้อม นนละสมัยก่อนผ้าหายากก็เลยเอาและจําเป็นจริงๆก็สองผืนผ้านุ่งกับผ้าห่มเพราะพระยุคนักๆนี้เป็นพระใจเด็ดเดียวเป็นพระอรหันต์ท่านไม่ค่อยหนาวร่างกายหนาวแต่ใจท่านไม่หนาวางใจของท่านทนความหนาวได้ก็เลยมีเพียงสองผืนแต่ต่อมามีคนศรัทธาอยากจะบวชกันอามาขอบวช แต่พวกนี้ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์กันใจยังไม่เด่นเดียวใจยังสู้ความหนาวไม่ได้ก็เลยมาขอขอร้องพระพุทธเจ้าขอผ้าขอผ้าห่มเพิ่มได้ไหมพระพุทธเจ้าก็เลยต้องเช็คดูว่าต้องเอาก็เอาเอากี่ผืนถึงจะพอช่วงช่วงหกโมงถึงสี่ทุ่งท่านก็ห่มพื้นเดียว แล้วพอสี่ทุ่มอากาศรู้สึกเริ่มเย็นมากขึ้นเริ่มรู้สึกว่ามันจะหนาว mm hmm. ก็เลยเอาผ้าผืนมาหม่มเป็นสองชั้นเป็นสองผืน mm hmm. พอถึงตีสองอ้ายังหนาวอีกก็เลยเอามาอีกผืนหนึ mm ่ง hmm. ถึงจะกันหนาวได้ก็เลยหม่มผ้าจีวรสาม ส, ามสามผืนถึงจะสู้กับความหนาวได้โดยที่ร่างกายไม่ ไม่เดือดร้อนกับความหนาวแต่ถ้าเป็นผ้าอาหารท่านผืนเดียวท่านก็อยู่ได้ใจท่านไม่ใจท่านสบายใจท่านไม่เดือดร้อนกับความหนาวของร่างกายพระพุทธเจ้าก็เลยอนุ ญ, ญาตให้เพิ่มผ้าขึ้นมาอีกสองผืนแต่ให้เย็บเป็นผืนเดียวผ้าที่ผ้าไหลายนี้เป็นผ้าสองชั้นเป็นเหมือนผ้าจีวรสองผืนประกบกัน เรียกว่าผ้าสังคตินี่ผ้าผ้าจีวรแล้วผ้านุ่งเรียกว่าผ้าสมองสมงจีวรแล้วก็สังคติก็เป็นผ้าใยความจริงมันต้องเป็นผ้าสี่ผืนมันไม่ใช่ผ้าสามผืนเพราะผืนที่สามนี่มันเป็นสองชั้นแต่เราก็เรียกว่าผ้าใยสมบัติสามชิ้นชิ้นที่สี่คือบาต ชิ้นที่ห้าก็คือมีดกรทุกเดือนต้องต้องปองผมปรงหนว ด, ดชิ้นที่ห้าก็จิ้นที่หกก็เข็มขัดรัดเอวใส่ผ้านุ่งเดี๋ยวไม่มีเข็มขดัดเดี๋ยวมันหลุดไปบินเต๋าผ้าหลุดเรียกปกคอตเอวหกชิ้นที่เจดก็เข็มก็ได้เวลาจีวรขาด ก็จะได้ปะเย็บเองไม่ต้องไปพึ่งไข่แล้วชิ้นที่แปดก็คือที่กรองน้ําเพราะว่าน้ําสมัยก่อนตักตามบึงตามบ่อมันมีตัวน้ําตัวสัตว์อยู่ในน้ําพวกลูกน้ำอะไรเวลาจะตักน้ําก็ต้องเอาเอาที่ตักมาแบบมีที่กรองมันจะดูดน้ําขึ้นมาแต่มันจะไม่ดูดตัวสัตว์ขึ้นมาแล้วก็ เป็นเป็นปุยอย่างเี้แล้วก็มีมีดูอยู่ที่ที่ข้างบนเวลาเราเปิดรูเราก็ข้างล่างมันจะเป็นเหมือนกับเป็นเป็นผ้าผ้าผ้ากองเราเวลาเรามันเหมือนกลมๆอย่ี้ข้างล่างมันเป็นเหมือนการมันเหมือ น, นกระป๋องเนี้ยป๋องแล้วข้างล่างเราเปิดเอาผ้าใส่เข้าไปปิดข้างบนเราก็เจาะรูไวไ้อันนึ่งเวลาที่เรา เวลาเราเอาจุ่มเข้าไปในน้ําแล้วก็เปิดดูมันก็เข้าไปได้น้ํำก็เข้ามาในกระป๋องเวลาเราจะยกขึ้นมาแล้วก็ปิดดูปิดดูน้ํามันก็ไม่ไหลออกแล้วเราก็เอามาใส่แก้วใส่<ม>กอะไรนี่แหละที่กรองน้ำของพระจะยอมซื้อชุดสังฆทานจะเห็นเป็นกระป๋องพลาสติกเหลืองแล้วก็มีมีกลวยอะไรขึ้นมานิดนั่นแหละที่กรองน้ํา อ๋อสมัยก่อนท่าจะอยู่ในป่าทุดงไปทุดงไม่เหมือนสมัยนี้มันไม่ได้ใช้นั่นแหละที่กองน้ําเพราะว่าน้ําปปาเขาก็กองมาตั้งแต่ที่ลงป่าแล้วนะโดยซื้อน้ําขวดนะ่ะพรุ่นี้เขา ก, กระกองมาให้เรียบร้อยสะอาดบอยสุดธิ์แต่สมัยท่าไปทุดงในป่านี้ท่านจะต้องมีที่กองน้ําำสําหรับตักน้ําขึ้นมาจากลํำห้วย นี่แหละคือสมบัติที่พระเจ้าอนุ ญ, ญาตให้พระมีได้ให้มีแค่แปดชิ้นที่เรียกว่าอัฐบริขาร น, นี่คือสมบัติของพระอยู่ได้รอดตายถ้ามีแค่นี้รอดตายไปไหนก็ปลอดภัยไปไหนก็มีข้าวกินเช้าก็ขออย่าขี้เกียจเท่านั้นเอง แล้วก็สะพายบาทเข้าออบ้านไปเดี๋ยวชาวบ้านเขาเห็นเขาก็มีจิตศรัทธาเขาก็เอาอาหารมาใส่บาตรได้นั่นคือความจําเป็นของของของของผู้ที่มีความสงบใจที่สงบแล้วเขาไม่ต้องการอะไรที่เขาหามานี่หาให้กับร่างกายเทนั้นเองบิณฑบาตก็เพื่อร่างกาย พาห่มจีวรนี่ก็เพื่อร่างกายที่กองน้ำอะไรต่างๆอนี้ที่โกนหนวดที่โกรนสีกนผมนี่ก็ทําเพื่อร่างกายทั้งนี้เราก็อยารักษาโรคท่านก็ให้เหลื่มน้ำสุดน้ําสุด อ, อะไรน้ําปัสสวาะสสวะน้ํามุ่งกับน้ําปัสสาวะเนี่ยคนอินเดียเขานิยมดื่มน้ําปัสสาวะเป็นยาอายุวัฒนะ ดื่มน้ำปัสสาวะของตัวเองรักษาโรคภยยัยไข้เจ็บได้ค้ายเป็นยาดองแทนที่จะใช้สุราดองและใช้น้ำปัสสาวะดองแล้วก็ดื่มมันดองเสร็จแล้วก็เวลาไม่สบายก็ดื่มยาดองดื่มยาดองปัสสาวะอ้าวจริงๆนี่เป็นยารักษาโรคสมัยโบราณ สมัยโบราณเขาไม่วุ่นวายเหมือนสมัยนี้หรอกสมัยนี้มีหมอมียามีโรงพยาบาลสมัยก่อนเขาไม่มีโรงพยาบาลเขาไม่มีอยู่ไม่มียาเลยนอกจากสมุนไพรมันก็อยู่แล้วก็ตายเหมือนกันสมัยนี้มีโรงพยาบาลมีหมอมียามีอะไรมันก็ตายเหมือนกันรักษาไปมันตายนานมันตายยากแค่นั้นเองสมัยก่อนมันตายง่าย เป็นไขยป่าเดี๋ยวก็ตายแล้วทำไ ม, มก่อนคนเราจะอยู่คล้ายๆกับพวกสัตว์เดรัจฉานเนะี่ยสัตว์เดรัจฉานเขาก็ไม่มีโรงพยาบาลเนี่ยในป่านี้เขาไม่มีโรงพยาบาลไม่มีคลินิกไม่มีหมอยาก็คือสมุนไพรเนี่ยสัตว์ต้องกิกนยานะเวลามันไม่สบายมันก็หาหาใบมุ้งใบไม้หาอะไรกัดกินเอา หายก็หายไม่หายก็ตายหายแล้วเดี๋ยวก็ตายหายแล้วเดี๋ยวก็เป็นใหม่เป็นแล้วเดี๋ยวก็ตายคนเรานี่มีสามโรคมีโรคอยู่สามชนิดชนิดที่หนึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวหายเองไม่ต้องไปทําอะไรเป็นไข้หวัดเนี่ยเดี๋ยวพักผ่อนหลับนอนเดี๋ยวมันสามวันห้าวันมันก็หาย มันมียากินถ้าไม่มีกินมันก็หายของมันเองได้ท้องเสียก็ให้มันถ่ายท้องพอมันถ่ายท้องเสร็จแล้วเนี่ยวมันก็หายไม่ต้องกินยาก็ได้โรคที่เป็นแล้วหายได้โรคที่สองนี่เป็นโรคที่เป็นแล้วต้องมียากินถึงยาหายถ้าไม่มียากินไม่ไม่หายตายได้โรคเอดส์ีำีมต้องกินยาใช่ไหมเอชไอวีมีเชื่อเอชไอวี ถ้ากินยาสมัยนี้ยามันคุมเชื้อได้ทำให้ไม่ตายแต่เชื้อก็ไม่ตายเพียงแต่คุมไวไม่ให้มันออกฤทธิ์ก็อยู่ได้พออยู่ได้ส่วนโรคชนิดที่สามนี่เป็นแล้วรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายเราจะมีสามโรคเนี่ยลราก็ต้องเจอกันจะเจอโรคไหนก่อนหลังท่านั้นเอง ถ้าไปเจอโรคที่สามก่อนก็ซวย <c oughs> <c oughs> ตายเร็วอันนี้ก็มีแค่นี้แหละต่อให้มียาวิเศษขนาดไหนหมอวิเศษขนาดไหนยังไม่มีใครรักษาโรคที่สามนี้ได้โรคที่เป็นแล้วต้องตายเพียงอย่างเดียวเพียงแต่ตายช้าหรือตายเร็วนั่นเองเขาทำได้ก็เพียงแต่ทำให้มันตายยากหน่อยตายช้าหน่อย อายแพงหน่อยพูดง่ายๆหมดเงินแล้ค่อยตายอาอาลองไปที่โรงพยาบาลเอกชนดูเลยพอบอกว่าไม่มีเงินแล้วเดยกเขาบอกไปได้นะแล้วหมอบอกเขาแสนผมไม่เอาเขาบอกอย่างนี้เขาหาโรงพยาบาลให้ใหม่เขาขอเงินแสนเขาจะรักษาให้เขาจะผ่าตัดเขาขอแสนเราลอกไหมบอกว่าผ่าแล้วค ไม่หายผมบอกเกมนี้อ่าไปผาเข า, าเป็นอะไรบอกแกผมหาโรงพยาบาลให้มาต้องมียาสามสิบาทเนี่ยเราอย่าไปวิตวกับเรื่องโรคภัยแค่เกม <c oughs> อยู่แบบเดรัจฉานดีกว่าบางทีเดรัจฉานมันฉลาดกับเราเองมันสบายกับเรามันไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องการรักษาพยาบาลมันไม่สบายมันก็นอนก็มันไป ถามหายมันก็ลุกขึ้นมาไม่งันก็นอนตายไปหมาตัวอื่นก็ช่วยกันไม่ได้เดรัจฉานตัวใครตัวมันจะมองว่ามันมันเป็นเดรัจฉานก็จริงแต่มันสบายกว่ามนุษย์ตรงที่เวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยเวลามันตายมันไม่ค่อยยุ่งยากมนุษย์เรายุ่งยากนะต้องซื้อประกันชีวิตต้องซื้อประกันภัยประกันสุขภาพโอ้นย ป่าจะตายได้นี่เหนื่อยอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อซื้อประกันอยู่เพื่อต่อสู้ความตายกันพวกเราแล้วก็สู้ไปไม่ได้ในที่สุดก็แพ้มันไปสู้กับมันทาไมอยาไปสู้พระพุทธเจ้าท่านสอนในภาพโป่งกันอย่าไปสู้มันโป่งมันดีกว่าเตรียมตัวตายดีกว่าแล้วจะอยู่อย่างสบายไม่ต้องกังวลกับเรื่องประกันสุขภาพประกันชีวิต ตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยตั้งแต่เราบวชมาไม่เคยไปตรวจสุขภาพประจำปีก็อยู่มาได้เนี่ยจ็สิบปีแล้วก็ไม่เคยไปตรวจอะไรเดี๋ยวนี้มีหมอเขาเมตตา ม, มาเจาะเลือดไปดูหน่อยนะเขาจะมาขอเลือดไปก็ให้เขาไปเราทำนั้นเองก็ยอยู่มาเดี๋ยวมันจะไปก็ให้มันไปห้ามมันได้ที่ไหนแล้วยิ่งถ้ารู้ว่าไม่ใช่ตัวเราไปยุ่งกับมันทาไม เราไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราที่แท้มันก็เป็นคนใช้เรา<ม>เราไม่ใช่ร่างกายเราเป็นใจเราเป็นเจ้านายของร่างกายเ<ม>จ้านายเนี่ยสบายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่แก่ไม่ตายกลับไม่รู้ตัวเอง<ม>กลับไปหลงคิดว่าคนใช้นี้เป็นตัวเองก็ไปรักไปห่วงคนใช้<ม>โอ้ยคอยดูแลมันอย่างดีมันเจ็บมันไข้โอยนี่พามันเข้าโรงพยาบาล <laughs> มันหิวมันอยากจะกินอะไรหาอาหารอย่างดีให้มันกินโอ้ดูแลคนรับใช้แต่ตัวเองนี่เป็นไม่มีอะไรเลยตัวเองไม่มีความสุขเลยมาคอยทุกข์มาห่วงกับคนรับใช้เนี่ยเพราะต้องใช้มันพาเราไปเที่ยวท่านเองใช่ไหมถึงต้องอาศัยมันถ้ามันพาเราไปเที่ยวไม่ได้ก็ฆ่ามันแล้วเนี่ยเวลาเวลาคนเปาา็นธอรมาเพ่กกระมัพากทำไมฆ่าตัวตายกันะ พอใช้หนูไม่ได้แนละ้วพาพาไปเที่ยวไม่ได้ลนะพาไปกินเลี้ยงไม่ได้พาไปงานแต่งงานไม่ได้พาไปอะไรไม่ได้มันก็ไม่รู้จะเลี้ยงมันทําไม เ, นะเนียน่ยเนี่ยคนสมัยนี้เวลาแก่เวลาเป็นเอามาเพิกกระเพาเยเขคิดข้าวตัวตายกั น, นไปเมืองประเทศฝรั่งเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาคนพวกนี้เขาอยู่อาศัยร่างกายอยู่เพื่อซื้อความสุขหาความสุขต่างๆ แล้วพอเขาแก่เขาไม่มีลูกไม่มีหลานมีแต่ประกันสังคมมีแต่อะไรแต่อยู่ก็แบบว้าเวอ ย, อยู่แบบเหนาอยู่กันสองคนตายยายแล้วดีไม่ดีเกิดใครตายไปคนหนึ่งเหลือคนหนึ่งมันไม่มีกําลังใจที่จะอยู่แล้วยิ่งทําไม่สบายเป็นโลกหรือหลังนี้มันไม่อยากจะอยู่มีแต่ความทุกข์ต้องกินยาต้องหาหมอไปเที่ยวไหนก็ไปไม่ได้เดินก็ก่ ก, กเดินก็จะล้ม มันก็เลยคิดค่าตัวตายกันถึงกับตอนนี้มีการดนรณรง์ให้ออกกฎหมายให้ค่าตัวตายไม่ผิดกฎหมายให้หมอให้ฉีดยาตายได้ให้หมอทำให้ตายได้มันก็ขัดกับจรัรยาแพทย์ของหมอหมอเป็นหมอมาเพื่อรักษาชีวิตไม่ใช่เป็นเป็นหมอมาเพื่อมาทาลายชีวิตมันก็เลยถกเถียงกันนี่แหละการที่เราไปหลง น้องคิดว่าคนใช้เป็นตัวเราเราก็เลยเลี้ยงรับเลี้ยมันอย่างดีเลยแต่พอมันรับใช้เราไม่ได้แล้วที่นี้เราก็อยากจะฆ่ามัน่ะเพราะเราไม่สามารถใช้มันพาเราไปหาความสุขต่างๆได้เพราะว่าเราไม่มีความสุข้วยในตัวเราเอง ถ้าเรามีความสุขในตัวเราเองเราก็ไม่ต้องอาศัยร่างกายเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับร่างกายมากก็เลี้ยงมันเหมือนหมาตัวหนึง่งให้มันกินข้าววันละมือเอาเ น, นี่ยพระเลี้ยงร่างกายท่านเหมือนเลี้ยงหมาตัวหนึง่ง <c oughs> <c oughs> มันไม่กินวันละมือแล้วข้าวกรใสไปในบาตคุกมันเหมือนข้าวหมาใช่ไหอ <c oughs> <c oughs> รวมในบาตเนี่ยพระอาจารบอกให้เอาอาหารทุกอย่างนี่เข้าไปในบาตคุกมันเอ <c oughs> เหมือนข้าวมาเลยสมัยบวชใหม่ๆแล้วก็กินอย่างเงี้ยสายมันเข้าไปคุกมันเข้าไปเพราะมีฉะนั้นมันจะเลือกอาหารแล้วเวลาบินธบาตไม่ได้อาหารถูกใจมามันจะไม่ไม่สบายใจมันจะไม่สุขใจก็เลยต้องดัดสันดานมันเลือกอาหารก็เลยคุกมันอาหารอะไรที่จะต้องไปคุกกันในท้องก็ไปคุกกันในบาทนี่แหละอาหารที่เรากินเดี๋ยวมันก็ไปคุกกันในท้องไม่ใช่อ่ ยังก็คุกกันในบาทก่อนจะได้เห็นหน้าตามันเป็นยังไงใช่ไหมเนี่ยใส่ของหวานเข้าไปใส่ของเค็มเข้าไปใส่ผลไม้เข้าไปแล้วก็คลุกมันแล้วก็กินมันเข้าไปหลับตากินก็ได้ถ้ามัอยากจะดูมันก็หลับตาหยิบเปกินเพื่ออิ่มกินเพื่อดับความหิวไม่ได้กินเพื่อความอยากไม่ได้กินเพื่อลิ้นเพื่อลิ้นเพื่อกลิ่น กินเพื่อไม่ไม่ได้กินเพื่อรูปของอาหารเราพิถีไปถานเรื่องรูปของอาหารมากมันต้องหน้ากินหน้าดูเนถ้าเละเทะเยะๆอย่างนี้ก ก, กินไม่ลงเลนี่ยนะอาหารที่กําลังเคี้ยวอย่างแลหลนลอยนี่น้องคลยมันออกมาดูหน้าตามแล้วลองเอากับเข้าปากไหม่ดูว่าเข้าไปได้ปะอันนี้แหละคือวิธีกินของพระะ ทันกินเพื่ออยู่แล้วก็ไม่ได้กินเพื่อตัวท่า น, นกินเพื่อคนใช้เลี้ยงคนใช้เลี้ยงคนรับใช้ตัวท่านไม่ได้กินอาหารของท่านก็คือความสงบถ้าใจสงบแล้วมันไม่หิวมันไม่หิวอาหารถ้ามันอดข้าวมันก็อดได้พระเจ้าเจ้าอดข้าวได้ต้องห้าสิบสี่สิบเก้าวันสี่สิบเก้าวันเพราะใจไม่หิว ร่างกายนี่เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแต่ใจไม่เดือดร้อนใจสงบเพียงแต่ว่ายังไม่สงบแบบท้าวรอนสงบแบบยังมีความทุกข์อยู่เพราะว่ามันยังไม่ได้กำจัดตัวอดอาหารเฉยๆไม่ใช่ทางต้องมาอดความอยากต้องหยุดความอยาก ร่างกายจะตายแล้วมันก็ยังยังมีความอยากอยู่ก็เลยแทนที่จะไปทรมานร่างกายก็เลิกทรมานร่างกายมารู้ว่าตัวที่เป็นปัญหาคือใจคือความอยากที่มีอยู่ในใจเวลาเกิดความอยากขึ้นมันหิวเลยยอมกินข้าวอิ่มๆนี่เดี๋ยวเห็นขนมนขึ้นมาก็หิวลวะทั้งๆที่ท้องมันแน่นอยู่ยก็ยังอยากกินอยู่แล้วถ้าไม่ได้กินก็หงุดหงิด ไม่สบายใจร่างกายมันถึงกลายพองขึ้นมาเป็นตุ่มกันทุกวันเนี้ยเราก็ไปโทษว่าเป็นเป็นยีนเป็นอะไรเข้าไหมันเป็นตัณหาความอยากเท่าั้นแหละเอาผลก็ไปโทษว่าเป็นดีเอ็นเอนู่นไปถ้าไม่ถ้าหยุดความอยากได้ไม่มีวันอ้วนหรอก ถ้าเรามาทำใจให้สงบได้แล้วเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่มีร่างกายก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่ถ้าเรายังต้องใช้ร่างกายนี้อยู่พอร่างกายนี้ตายไปเราก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาทรมานใหม่มามาทุกข์ใหม่มาดิ้นรนหาหากินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันแล้วก็หาเงินหาทอง มาซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันแล้วก็มาทุกกับประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพมันก็มากลับมาเจอปัญหาแบบเดิมเจอความทุกข์แบบเดิมมันก็จะกลับมาอย่างเนี้ยพวกเรากลับมาเกิดมาไม่รู้กี่ล้านรอบนะท่านบอกว่าน้ําตาที่เราร้องออกมาในแต่ละชาติเนี่ยถ้าเอามารวมกันเนี่ย มันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเองคิดดูว่าเราเรากลับเรามาเกิดกันกี่ครั้งมาร้องไห้กันกี่ครั้งถึงจะได้น้ําตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราเพราะความอยากของพวกเราอยากใช้ร่างกายหาความสุขให้กับเราอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอยากสัมผัสทางทางสัมผัสทางร่างกาย ทาให้เราต้องมีร่างกายถึงจะมีอถึงจะหาความสุขได้แล้วพอมีแล้วก็ต้องหามาถ้ามีแล้วไม่ได้หาก็ทุกข์อีกถ้ามีร่างกายแล้วร่างกายพิกลพิการไม่สามารถไปหาความสุขได้ก็ทุกข์อีกก็อยากจะฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายก็กลับมาเกิดใหม่ยังไงก็ต้องกลับมาเกิดใจมันตายเองหรือจะฆ่าตัวตายเองก็ต้องกลับมาเกิด ถ้าเรายังไม่ฆ่ากิเลสฆ่าตัณหาฆ่าความอยากต่างๆฆ่าความอยากที่จะใช้ร่างกายหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราต้องมาฆ่ากิเลสด้วยการมาปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี้จะทำให้เราฆ่ากิเลสและเวลาฆ่ากิเลสได้ใจก็หายอยากหายหิวใจก็สงบมีความสุข ใจนี้ถ้าไม่มีความอยากไม่มีกิเลสมันมันสงบแล้วพอมันสงบแล้วมันก็จะสุขทุกวันนี้ที่มันไม่สงบเพราะมันไม่มันมีแต่ความอยากมีแต่กิเลสมาคอยกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาลืมตาขึ้นมาก็อยากนะบางคนลืมตาขึ้นมาจุดบุหรี่ก่อนลนะสูบบุหนี่บางคนลืมตาขึ้นมาคว้าหาเครื่องดื่มก่อนลนะเนี่ยมันอยากนะ อันนี้แหละเป็นตัวปัญหาไม่ใช่อะไรไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นหากับเรานอกจากความอยากของเรานี้เองความอยากสามชนิดความอยากในรูปเสียงเกล็ดนสดความอยากได้นั่นอยากมีนี่ความอยากไม่ไม่ได้ความอยากไม่มีนั่นความอยากไม่มีนี่เช่นไม่อยากจนไม่อยากมีนี่มีสินไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตาย พอมีความอยากเหลานี้ใจเราก็วุ่ น, ว, นวายไม่สบายใจอันนี้แหละคือปัญหาของพวกเราที่ทำให้พวกเรานนต้องมามีร่างกายกันเราก็ต้องมาหาสิ่งต่างๆกันหาเงินหาทองกันก็เลยหลงคิดว่าความร่ำรวยนี้จะทำให้เรามีความสุขกันเพราะมีเงินแล้วเราก็สามารถ ซื้ออะไรต่างๆที่เราอยากจะซื้อได้แล้วก็มีความสุขกับมันช่วงคราวช่วงขณะที่ทุกอย่างลงตัวเงินทองก็มีร่างกายก็ดีแต่พอช่วงไหนที่มันไม่ลงตัวก็เดือดร้อนนะถ้าเงินทองขาดมือก็เดือดร้อนถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยพี่คนพี่การไปก็เดือดร้อนนะทีนี้ความสุขที่ได้จากเงินทองได้จากร่างกายก็กลายเป็นความทุกข์ไป ถ้วพอตายไปก็กลับมาเกิดมามาเริ่มใหม่อีกแต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเรามาปฏิบัติกันมาควบคุมกิเลสตัณหากันหยุดมันพอหยุดแล้วใจจะสงบสงบแล้วจะเกิดความสุขเกิดความอิ่มเกิดความพอขึ้นมาจะทำให้ไม่อยากได้อะไรไม่อยากกินอะไรถ้าไม่ถึงเวลาก็ไม่กิน กินมันเท่าที่ให้มันอยู่ได้ไม่อยากดูไม่อยากฟังอะไรไม่อยากไปเที่ยวที่ไหนไม่อยากมีแฟนไม่อยากนอนกับแฟนอยู่คนเดียวสบายอันนี้แหละเป็นความสุขอันประเสริฐความสุขของพระอริยเจ้าความสุขของพระพุทธเจ้าความสุขของพาอาาระอรหันตสาวกเป็นความสุขที่ปราศจากกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่าง ความสุขของพวกเรานี้เป็นความสุขที่เกิดจากกิเลสรักใครพอได้คนที่เรารักมาก็สุขแล้วเดี๋ยวพอเขาพูดอะไรไม่ดีทำอะไรไม่ดีก็โกรธเขาเกลียดเข า, เเขาไม่รักจริงใช่ไหมแต่รักจริงมันต้องรักเสมอต้นเสมอปลายแต่มันรักตอนที่เขาเอาใจเราฮนะพอเขาไม่เอาใจเราก็โกรธแล้วเกลียดแล้วมีไม่ดีข้างกันตายเนี่ย คนที่ฆ่ากันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนใกล้ตัวทั้งนั้นเพราออยู่ใกล้ชิดกันเดี๋ยวมันรักกันมากมากพอเวลาโกรธกันก็โกรธกันมากๆแล้วมีข่าวอยู่เรื่อยใช่ไหมจ้างให้คนบางคนมามาฆ่าสามีบ้างจ้างให้เขามาฆ่าภรรยาบ้างเ <c oughs> นี่ยความรักกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา เพราะฉะนั้นอย่าอย่าเอาเอาความสุขทางร่างกายเลยเรามาเอาความสุขทางใจกันดีกว่าที่ให้ทำบุญทำทานก็เพื่อให้เราสละเงินทองที่จะเอาไปซื้อความสุขทางทางร่างกายนี้เอามาซื้อความสุขทางใจแทนเวลาเอาเงินทองมาทำบุญก็ทำใจให้เรามีความสุขเพราะเราค่ากิเลสคือความตนีกิเลสคือความโลภได้ โลภอยากจะเอาเงินไปซื้อกระเป๋ารองเท้าอย่างนี้ก็เอาไปทําบุญแทนความโลภที่อยากจะซื้อกระเป๋ารองเท้าก็จะหายไปต่อไปใช้กระเป๋าใบเก่าได้ใช้รองเท้าคู่เก่าได้ทุกครั้งที่มันอยากจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ซื้อรองเท้าคู่ใหม่ก็เอาไปทําบุญแทนแล้วต่อไปมันจะไม่เออมันจะไม่อยากจะซื้อบางคหมอเอ้ยของเก่าก็ยังดีอยู่นี่ไหม ของเก่าเมื่อก่อนเวลาซื้อมาใหม่ๆก็รักมันแทบตายอยากจะมันได้มันมาพอได้มันมาแล้วทำไมต้องมันเบื่อมันด้วยมันก็ยังดีอยู่นะยังใช้ได้อยู่ทำไมต้องไปซื้อของใหม่มาทำไมเนี่ยทุกครั้งที่อยากจะซื้อของตามกิเลส ต, ตามความโลภเนี่ยเอามาทําบุญแล้วเวลาทําบุญแล้วอิ่มใจสุขใจกว่าซื้อกระเป๋าใบใหม่ซื้อกระเป๋าใบใหม่ว่าเวลาได้มาใหม่ๆก็ดีใจไม่กี่ชั่วโมง เดี๋ยวก็ใช้ไปสองสามทีนี่ไม่ไดีเบื่อแล้วไม่ใช้ก็ได้ไม่ถูกพอมีคนเขาทักหนูว่าไม่ถูกกับบุคลิกตนูเนี้ยเลิกใช้ <c oughs> <c oughs> พี่มันเข้ากันไม่ได้เลยนะพวกเขาพูดกันนี้ก็ไม่อยากจะใช้ละอแต่ถ้าเราเอาเงินไปทําบุญนี่ทุกครั้งที่เราคิดถึงบุญที่เราทํายังมีความจุกจิกใจเออเราได้ช่วยโรงเรียนนะได้ช่วยมูลนิธินะได้ช่วยโรงพยาบาล น, นะ พอคิดถึงบุญที่เราทำแล้วมันยังโศกใจเนี่ยคือเหตุที่เราต้องทําบุญถ้าเรามีเงินทําถ้าเราจะมีเงินที่จะไปซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จําเป็นเอามาทําบุญแทนแต่ถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องไปหาเงินมาทําอันนี้ผิดละอันนี้สําหรับคนที่มีเงินแล้วจะเอาเงินไปใช้ในทางผิดไปใช้ไปทางกิเลส ท, ทางความโลภเนี่ยก็ให้เอามาทําบุญ เพื่อจะได้ตัดกิเลสฆ่ากิเลสที่อยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆของไม่จำเป็นต่างๆแต่ถ้าไม่มีเงินซื้อของฟุ่มเฟือยอยู่แล้วก็ไม่ต้องเอามาทำายแต่ถ้าอยากยังยังอยากจะทำยอมเสียสละเงินที่จำเป็นคือเห็นขอทานแล้วสงสารมันก็แบ่งค่าอาหารของเราให้มันมื้อนึงเราเคยกินสามื้อวันนี้ขอกินแค่สองมื้ออ่ะถ้าอย่างนี้ก็ดี อย่างนี้แสดงว่าใจมีความเมตตาสูงมีความสงสารสูงเห็นเขาหิวก็หิวแทนเขาทุกแทนเขาก็อยากจะให้เขาหายทุกหายหิวก็เลยยอมยอมหิวแทนเขาสักมื้อหนึ่งแต่ใจกับอิ่มก็กลับไม่รู้สึกหิวใช่ไหมถ้าเราสารอาหารมื้อตอนนั้นไปรับรองได้ว่าใจไม่หิวใจมันจะอิ่มไปทั้งวันเลยดีไม่ดีอาหารมื้อต่อไปอาจจะไม่อยากกินด้วย เพราะมันอิ่มเอิบใจไม่มีความสุขใจที่มันได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถ้าเราคิดว่าเขากับเราไม่ต่างกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือ น, นกันต่างกันตรงที่อยู่ในเวละของบุญกรรมที่ต่างกันตอนนี้เขาอยู่ในเวละของกรรมที่เขาต้องชดใช้เขาก็เลยต้องทุกข์ยากลำบากเราอยู่ในเวละของบุญเรากําลังได้รับผลบุญเราก็เลยอยู่ดีกินดีกว่าเขาเท่านั้นเอง แต่มันอาจจะสลับกันได้ในอนาคตอนาคตาเราอาจจะไปอยู่ในเวลาของกรรมก็ได้แล้วเขาอยู่ในเวละของบุญก็ได้เขาอาจจะคิดสงสารเราก็ได้ถ้าเราสงสารเขาเขาจาเราได้เขาก็อยากจะสงสารเรานี่แหละคือเรื่องของการทำบุญดีกว่าการใช้เงินตามความโลภตามความอยากต่างๆแล้วมันจะไม่พอใช้ด้วยถ้าใช้เงินตามความโลภความอยาก มันเห็นอะไรชอบมันซื้อแหลกหมดเลยใช่ไหมซื้อจนไม่พอเนี่ยบางทีมีบัตรม่เดียวกดเอากดลูดเอาลูดเอาพอสิ้นเดือนบินมาทีปวดหัวมันแดงตัวแดงขึ้นแล้วเนี่ยมันรู้จะไปหาเงินที่ไหนมาโปะนะแ้วเดี๋ยวนี้ไม่เดย์ก็ต้องไปทำบาปอีกไปโกงไปขโมยเงินไปช่อโกงนี่แหละโทษของการใช้เงินตามความโลภ มันจะเรานำาเราไปสู่ความหายานะจะทำให้เราไปติดคุกติดตารางกันได้คนส่วนใหญ่ที่ไปติดคุกติดตารางก็เพราะว่าใช้เงินเกินกำลังของตนเองพอไม่มีเงินหาเงินได้โดยวิธีสุดจริญก็ไปหาวิธีทุจริตกันเราก็ต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตารางไปแถ้าเอาเงินมาทำบุญนี่รับรองได้ไม่มีวันจะติดคุกไม่มีไม่มีวันที่จะเงินทองจะขาดมือ เพราะมันจะใช้ด้วยความประหยัดใช้ด้วยความจําเป็นจริงๆอันไหนไม่จําเป็นมันไม่ใช้หรอกเอาไปทําบุญดีกว่าถ้าจะถ้าจะใช้เอาไปทําบุญดีกว่าแล้วทําบุญมันก็มีประโยชน์หลายอย่างประโยชน์อย่างที่บอกว่าได้ความสุขใจอิ่มใจแล้วยังเป็นการเอาเงินเข้าในธนาคารด้วยรู้ป่ะเงินที่เราทําบุญนี้ไม่สูญหายนะถ้าเรายังไม่ไปถึงนิพพานกลับมาเกิดใหม่ก็มาเบิกเงินนี้ได้เนี่ย คนที่กลับมาบคนที่มาเกิดแล้วร่ำรวยก็พ่อชาติก่อนก็ฝากเงินไว้ในธนาคารบุญเนะี่ยพอกลับมาเกิดเขาก็เลยรวยเงินที่รวยนี่ได้ได้จากบุญเงินที่ทำบุญไว้มาเกิดในครอบครัวของพ่อแม่ที่ร่ำรวยไม่ต้องไปเหน็ดเหนื่อยหาเงินหาทองพวกที่ไม่ได้ทำบุญกลับมาก็ไปเกิดยากจนไปเกิดในครอบครัวของคนยากจนของขอทาน อันนี้จะเชื่อไม่เชื่อเราพิสูจน์ไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงทรงสอนท่านยกตัวอย่างตัวของท่านทําหมายเป็นพระเวชสังดรท่านก็ทําทานอย่างมโหลานพอตายไปท่านก็ไปรับผลบุญที่สวรรค์ไปเที่ยวสวรรค์ก่อนแล้วพอลงมาจากสวรรค์ก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะกลับมารวยอกีกกลับมาเป็นลูกของกษัตริย์นมีปราสาทซ้ํด้วยดู มีอาหารมีเครื่องดืม่มมีมหรลอสบันเทิงทุกรูปแบบอาหารทุกชนิด เ, เครื่องเบื่อเครื่องดื่มทุกชนิดที่จะมนุษยที่จะสรรหาได้นี่ไปอยู่ในวังหมดใช่ไหมคนถึงชอบไปวังกันนะถ้าถ้าได้รับการเชิญเชิญไปงานเลี้ยงที่วังนี่โห้ดีใจตัวสั่นอย่จะได้ไปกินไปไปดื่มของที่แปลกๆของที่ไม่เคยกินเคยดื่มกัน อันนี้เป็นเรื่องของนิสงกับการทำทานแต่ในขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าก็สอนว่าอย่าไปหลงกับมันเพราะว่ามันเป็นทางผ่านเพราะว่าถ้าไปติดมันก็จะต้องติดกับการเวียนว่ายตายเกิดติดกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ให้รู้ไว้ว่าถ้ายังไปไม่ถึงนิพพานระหว่างทางก็ยังมีของดีๆรอเราอยู่อย่างพระพุทธเจ้ามาเกิดเป็นยอดชายสียทัศนฉลองความสุข ของเจ้าชายอยู่ถึง29ปีพอครบอายุ29ก็ออกบวชนี่ไปอยู่แบบขอทานแนละ้วไปเพื่อที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปก็ต้องไปยอมทุกข์เป็นเจ้าชายแล้วก็ทีนี้ต้องไปเป็นเป็นขอทานแนละ้วคิดดูทุกข์ขนาดไหนจากเจ้าชายมาเป็นขอทาน <c oughs> มีเจ้าชายในยุคนี้สมัยนี้ที่มาสละราชสมบัติแล้วมาเป็นขอทานไหมไม่มี ถ้าไม่เป็นแบบพระโพธิสัตว์นี่ไม่มีวันที่จะทำได้ถ้าเป็นพระโพธิสัตว์นี่ท่านสละได้ท่านมีปัญญาท่านเห็นว่าความสุขจากเงินทองนี้มันเป็นความสุขที่ทำให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดถ้าอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่ต้องไปอยู่เป็นขอทานไม่ใช้เงินทองไม่พึ่งเงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุข ใช้การต่อสู้กับกิเลสเป็นเครื่องมือการในการหาความสุขใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาใช้สีนี่แหละคือเครื่องมือที่จะสามารถทำให้เราทำลายกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้พอกิเลสตัณหาหมดไปแล้วใจของเราก็เย็นสบายอิ่มสุขไปตลอดไม่มีวันหิวไม่มีวันอยากยาต่อไป ไม่ทุกกับอะไรทั้งสิ้นไม่ทุกกับการขาดแคลนเงินทองเท่าของบุคคลสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ทุกกับการแก่การเจ็บการตายไม่ทุกกับการพลาดพลาดจากบุคคลนั่นบุคคลนี้จากสิ่งนั้นจากสิ่งนี้เราก็ไม่ต้องกลับมาทุกกับการเกิดแก่เจ็บตายต่อไปอันนี้แหละเป็นผลที่เลิศที่วิเศษ ที่เราจะได้รับจากการที่เราเชื่อพระพุทธเจ้าทำตามที่พระเจ้าทรงสอน <c oughs> เอาเงินที่เราจะไปใช้ซื้อความสุขต่างๆมาทำบุญแทนแล้วก็มารักษาศีลห้ารักษาศีลแปกันถ้ารักษาศีลแปเราก็จะมีเวลาที่จะมาจะเจริญสติสมาธิปัญญาเพื่อที่เราจะได้หยุดความอยากฆ่ากิเลสฆ่าตัณหากัน พอเราท่ากิเลสตัณหาได้ใจเราก็จะสงบมีความสุขแล้วใจเราจะไม่ต้องใช้ร่างกายอีกต่อไปไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายร <c oughs> ่างกายจะเป็นอย่างไรจะไม่เดือดร้อนไม่ต้องใช้เงินทองเห็นไหมดูพระพุทธเจ้าไม่มีเงินทองมีแค่บริขาร8ชิ้นสมบัติ8ชิ้นเท่านั้นเอง <c oughs> พอแล้ว นั่ก็เป็นสมบัติเพื่อร่างกายไม่ได้เพื่ อ, อจิตใจจิตใจไม่ต้องมีจิตใจมีสมบัติของตนแล้วมีอริยทรัพย์แล้วมีศีลมีสมาธิมีปัญญานี่แหละคืออริยทรัพย์ทรัพย์ของผู้ประเสริฐคือศีลสมาธิและปัญญาเพราะถ้ามีศีลสมาธิปัญญาแล้วจะมรู้สึกว่าร่ำรวยจะเป็นมหาเศรษฐีที่แท้จริง จะไม่หิวไม่โหวไม่อยากได้เงินได้ทองไม่อยากได้ข้าวได้ของไม่อยากได้อะไรจากใครทั้งนั้นมีความพอมีความอิ่มถ้ายังอยากได้อยู่แสดงว่ายังไม่เป็นเศรษฐีจริงถ้ามีพันล้านแล้วยังอยากจะได้เป็นหมื่นล้านนี่ก็แสดงว่ายังไม่เป็นเศรษฐีจริงถ้าเป็นเศรษฐีจริงนะบอกว่าไม่อยากได้อะไรแล้วอันนั้นนหละถึงจะเรียกว่าเป็นเศรษฐีจริง เศรษฐีจริงต้องเป็นขอทานจริงพระพุทธเจ้านี่เป็นขอทานจริงแล้วก็เป็นเศรษฐีจริงขอทานจริงๆทุกเช้าถือบาตไปบินทบาตรทุกเช้าเป็นขอทานแต่ใจนี่เป็นเศรษฐีมีแต่จะให้พระพุทธเจ้าให้ของประเสริฐกว่าของที่ทนได้รับสิ่งที่ท่านได้รับก็คืออาหารจตุปใจที่ญาติโยมถวาย แต่สิ่งที่ท่านให้กับญาติโยมนี้เป็นอริยทรัพย์เป็นสมบัติอันเลิศสมบัติคือพระนิพพานถ้าใครได้รับธรรมทานจากครเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติได้ก็จะได้พระนิพพานได้บรมมาสุขได้ความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีความทุกข์หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับพวกเราสิ่งที่เราให้พระพุทธเจ้านี้เป็น เ, เป็นเหมือนอถ้าเปรียบเทียบถ้าสิ่งที่พทธเจ้าให้เราเป็นเหมือนเพชรนินจินดาสิ่งที่เราให้พระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนดินกับรายนี่ก้อนหินก้อนทรายคุณค่าราคาต่างกันมาก จัดตัวปัจจัยไทยทานเช่นจีวร อ, อาหารบินตาบาดยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเปรียบกับธรรมระที่ท่านให้กับเรานี้มันคนละคนละระดับเลยอาหารการกินก็พอให้เลี้ยงดูร่างกายอยู่ไปจนมันหมดอายุไขไปเท่านั้นเองแต่ความทุกข์ใจยังไม่หมดถ้ายังมีความทุกข์ใจอยู่ต่อให้อยู่ดีกินดีขนาดไหนความทุกข์ใจก็ไม่หมด ความทุกข์ใจจะหมดได้ก็ต้องมีธรรมะมีมีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญาถ้าเราทำทานได้รักษาศีลได้นั่งสมาธิได้ใช้ปัญญาที่พระเจ้ามอบให้กับเราได้เอามาฆ่ากิเลสตัณหาได้เราก็จะได้นิพพานเราก็จะได้ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเราจะได้ความสงบที่ถาวรความสงบที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวง ความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดความสุขที่พวกเรามีกันตอนนี้มันจะต้องมีวันจบเนะตรียมตัวแล้วเตรียมตัวร้องไห้กันนะ mm hmm. เดี๋ยวมันมาอันนี้ไม่ได้ขม่มขู่พูดตามความเป็นจริงแต่ถ้าเรารีบเอาธรรมะของท่าเจ้ามาเข้ามาใส่ใจเราแล้วรับรองได้วาจะไม่ร้องไห้จะยิ้มจะดีใจว่าเออหมดกันทันทีอยู่กันมาก็เหนื่อยยากพอสมควรอะ ถึงเวลาต้องจากกันล้ร่างกายนี้มันเป็นภาระที่แบกที่หนักที่เราต้องแบกอยู่ถ้ามันตายไปได้ น, นี่มันกลับดีสําหรับคนที่ไม่ต้องใช้ร่างกายตอนนี้ตอนนี้ต้องแบกมันเพราะมันยังไม่ตายแต่ถ้าไม่มีร่างกายแล้วมันจะสบายกว่าเบาวกว่าแต่ถ้าเรายังใช้ร่างกายอยู่เวลามันตายนี่โอ้เราเสียดายเสียใจร้องหม่มร้องไห้กันหวาดกลัวกัน เพราะเราไม่ม <out Take> ีธรรมะในใจไม่มีอริยทรัพย์ไม่มีนิพพานไม่มีความสงบไม่มีความสุขในใจเราเลยยังต้องพึ่งร่างกายอยู่แต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่ท่านมีนิพพานแล้วท่านมีความสุขในใจแล้วท่านไม่ต้องพึ่งร่างกายแล้วท่านเลยไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายร่างกายเป็นยังไงท่านอยู่ได้อยู่กับมันได้ไม่มีมันก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อน เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราจงเชื่อพระพุทธเจ้าพยายามศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าให้มากๆอ่านหนังสือธรรมะบ่อยๆฟังเทศบ่อยๆเราจะได้ความรู้ถ้าฟังเทเลนิเตียหน่อยมันจะได้ไม่ไม่มากเหมือนเรียนหนังสือต้องไปโรงเรียนทุกวันถึงจะเรียนจบฟังเทศบ่อยๆแล้วนำเอาไปปฏิบัติ แล้วต่อไปวันนี้ก็เอาแค่เรื่องทําทานฝากไว้เป็นการบ้านก็แล้วกันทุกครั้งจะซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าก็เอาไปทําบุญนะทุกครั้งจะไปเที่ยวฮ่องกงเ <c oughs> ที่ยวเอเชียงใหม่เที่ยวภูเก็ตเที่ยวที่ไหนก็เอาไปทําบุญกันนะแล้วต่อไปจะไม่อยากเที่ยวจะไม่อยากไปไหนจะปลอดภัยไปเที่ยวมันอันตรายเสี่ยงตายตายไปขึ้นเครื่องแต่ละครั้งนี่ไม่รู้จะลงยังไงกันใช่ไหมเราก็ยังอยากไปกันอยู่อ แต่ถ้าาไปทำบุญแล้วปลอดภัยไม่ต้องขึ้นเครื่องสบายใจกว่าเอาแล่นะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรย่าทาวารกวาหาปุราปาริกปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิตโตทินงังเปตานาังอุปกะปติอิชิตังปัธิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโต สัพเพปเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยธามาิโชเตระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพารโควินัสตุมาเตภวะตุนตรายุสุขีทีขายุโภวะภิวาธนสีริศะนิจัาวุฒาปจายนุ จตารโหธมมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลางาาาาาวันนี้เฟซเข้ามาเท่าไหร่เฟซวันนี้สูงสุด420กว่าค่ะบนยูทูบ42ค่ะ42มีคำถามเข้ามาไหม ชาลันมาบปล่านี้ยังไม่มาตอนนี้ก็ไม่ได้มาถา ม, ถามคือคือนคือหนูมีวนีสินจากการทำธุรกิจใช่ไหคะคื อ, อซื้ออาคารพาิสตึกคือก็อมีบ้านด้วยแต่ตอนนี้คื อ, อย่าร้านกับสานีแล้วก็มีลูกสองคนทีนี้การดูแลลูกสองคนแล้วก็มนีสินอีก มันก็จะมีคำถามว่าสิ่งนี้มันคือมัิกรรมหรือมันคือสิ่งที่หน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบแล้วเราควรจะวางวางความรู้สึกของเราวางใจของเราให้ให้รู้สึกยังไงให้ให้เป็นย <c> ังไงที่จะแบบหลุดกับมันได้ก็ให้สบายใจกับมันอถ้าดิา้นไม่หลุดก็ต้องติดกับมันก็ต้องทําไปถ้าหลุดได้ก็หลุดไปะถ้าอยากไปให้มันหลุดมันก็จะทุกข์ ถ้ายังติดกับมันอยู่ถ้ายังติดอยู่กับมันก็ทำหน้าที่ไปต้องใช้นี่ก็ใช้ไปต้องเลี้ยงลูกก็เลี้ยงไปความอยากท่าน้นัะที่จะทำให้เราทุกข์เช่นอยากไม่อยากจะไม่เลี้ยงลูกลอยากจะไม่ใช้นี่มันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วถ้าเราเราอยากใช้นี่ค่ะแล้วเราก็อยากเลี้ยงลูกให้ดีด้วยค่ะก็เลี้ยงไปตามอัตภาพเนี่ยตามเหตตามปัจจัยอย่าไป อยากเกินความเป็นไปได้เลี้ยงไปตามกำลังของเราถ้าเลี้ยงให้มันดีได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ถ้าต้องส่งมาเรียนโรงเรียนวดัดก็ส่งเรียนโรงเรียนวัดไปตามกำลังของเราคือ mm hmm. ถ้าเรื่องลูกมันก็ถือเป็นหน้าที่ใช่ไหมว่าเราสร้างเขามาแล้วเราก็ต้องมีหน้าที่เลี้ยงดูเขาให้เขาเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วเป็นที่พึ่งของเขาเองได้ ถึงจะหมดหน้าที่ของเราส่วนหนี้สินก็เป็นหน้าที่ของเราเมื่อเราไปกู้มาเราก็ต้องไปคืนเขาก็ต้องทำใจว่ามันเป็นหน้าที่เป็นงานที่เราต้องทำถ้าไม่มีความอยากที่จะหนีจากหน้าที่นี้ก็จะไม่ทุกข์จะมีความสุขแต่ถ้ามีความอยากให้หนี้หมดเร็วๆแต่ยังไม่หมดมันก็ทุกข์ได้ออ <Okay. S 1> ก็อย่าไปอยากเกินความเป็นจริงให้ยอให้อยู่บนพื้นฐานของความจริงอย่าอย่าไปอยู่บนพื้นฐานของความอยากอยู่ตามความเป็นจริงความเป็นจริงคือตอนนี้เราต้องเลี้ยงลูกก็เลี้ยงไปตอนนี้เราต้องใช้นี่ก็ใช้ไปใช้ได้มากใช้ได้น้อยก็ใช้ไปตามกำลังของเราพยายามกำจัดไอ้ตัวความอยากนี้ออกจากชีวิตเราแล้วชีวิตเราจะไม่วุ่นวายมาก เรียกว่าให้ธรรมะจัดสรรไปธรรมะก็คือเหตุการณ์ความเป็นจริงเนี่ยความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้เราก็ทําไปกับตามความเป็นจริงตอนนี้เรามีความสามารถที่จะทําได้เท่านี้เราก็ทําไปอย่าไปอยากให้มันมากให้ให้ทาได้มากกว่านี้เพราะมันก็ทําไม่ได้อยู่ดีนอกจากว่าอยากแล้วทาให้เราพัฒนาตัวเองก็ทําไป ก็อาจจะไปเรียนหนังสือเพิ่มไปหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็อาจจะมาทํากิจกรรมเพิ่มเติมแล้วทําให้มีไรายได้เพิ่มเติมขึ้นมาอย่างนี้ก็ทําไปถ้าแา บ, บนี้ไม่ไมไมถือว่าเ ป, เป็นการสร้างาความทุกข์ให้ตัวเองใช่ไหมคะคือถ้าเราอยากหนี่ไวๆแต่เราพยายามพัฒนาที่ท่ า, านบอกอนนก็ดูที่ใจเราทุกข์กมันหรือเปล่า ถ้าทุกข์ก็เราก็ต้องปรับความอยากเราให้ให้มันเบาลงไม่ให้มันทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาตรงทีถ้าเราอยากเกินความสามารถของเรามันก็จะทุกข์ได้ถ้ามันอยากอยู่ในในกรอบของความสามารถของเราเราก็จะไม่ทุกข์เหมือนกับเรายกของหนักเนี่ยยกน้ำหนักเนี่ยเรายกได้ในระดับหนึ่งเช่นสามสิบโลสี่สิบโล แต่ถ้าเราอยากจะยกยกสักหกสิบโลนี่ยเรายกไม่ไหวแล้วเราอยากจะยกแล้วเรายกไม่ได้เราก็จะทุกข์แต่ถ้าเราปรับใจเราว่าเรายกได้แค่สามสิบเราก็เอาแค่สามสิบเราก็ทําได้ตามที่เราต้องการเราก็จะไม่ทุกข์ยิ่งต้องรู้จักประมาณความสามารถของตัวเองว่าเรามีความสามารถเท่าไหร่แล้วก็ทําไปตามกําลังของเรา อย่าไปดูคนอื่นบางทีเราเห็นคนเก่งกว่าเราเราอยากจะเก่งเหมือนเขาแล้วเราพยายามทาแล้วทาไม่ได้เ ร, เราก็จะทุกข์เราก็จะท้อแท้ได้บางทีต้องมองคนที่เขาเขาเอา่เขาอ่อนกว่าเราหรือแย่กว่าเราแล้วจะทำให้เรารู้สึกว่ า, เ, าเราก็ไม่เร็วนะแต่ถ้าบางทีเราขี้เกียจเราก็อาจจะต้องมองคนที่เขาดีกว่าเรามันจะทำให้เรากระตุ้นความขยันขึ้นมา นันก็ต้องคอยดูอยู่เรื่อยว่าใจเรามันเป็นยังไงต้องใช้วิธีไหนปรับมันให้มันไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆวิธีที่จะไม่ทุกข์ง่ายๆก็คือให้ทำใจให้สงบอย่าไปคิดอะไรแล้วก็ปลงมันไปเลอะไรจะเกิดก็เกิดใจเราก็รับกับมันได้ทุกอย่าง แต่ไม่ได้ให้ทำแบบไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปทำหน้าที่นะหน้าที่ยังมีก็ต้องทำแต่ช่วงเวลาว่างแทนที่จะไปเที่ยวไปดูหนังไปใช้เงินทองก็มานั่งสมาธิดีกว่ามาทำใจให้สงบดีกว่าจะได้มีเงินไปใช้นี่ได้มากขึ้นใจอยากจะใช้นี่แต่อีกใจก็อยากจะเที่ยวอย่างนี้มันก็ไม่มีวันจะใช้นี่หมดพอได้เงินมามันสองจิตสองใจแล้วจะไปใช้นี่ดีหรือไปเที่ยวดี ไปเที่ยวอ้าวมันก็ยังไม่ได้ใช้นี่แต่ถ้าเราอยากจะใช้นี่เราก็ต้องไม่ใช้เงินไปในทางอื่นเอามาใช้นี่อย่างเดียวเวลาอยากไปเที่ยวก็ให้มันเที่ยวแบบไม่ต้องใช้เงินให้นั่งสมาธิไปนั่งสมาธิก็เป็นการเที่ยวอีกแบบเที่ยวสวรรค์ชั้นพรมโลกเวลาจิตสงบนี่จิตได้ไปถึงสวรรค์ชั้นพรมโลกเป็นความสุขที่ดีกว่าไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ต้องเสียเงินประหยัดเงินประหยัดรายจ่าย ไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ต้องเสียค่าน้ำมันรถอยู่บ้านนั่งหลับตาพุดโทพูดโธไปสบายกว่ามีความสุขมากกว่าก็จะทำให้เราใช้นี่ได้หมดเร็วพราะเราจะไม่เอาเงินไปใช้ของที่ไม่จำเป็นจะใช้แต่ของที่จำเป็นเช่นอาหารยาอะไรอย่างนี้ที่จาเป็นจะต้องใช้อย่างนี้เดี๋ยวก็ใช้หมดนี่เดี๋ยวไม่นานก็หมด อันนั่งสมาธิเถิดแล้วจะช่วยแก้ปัญหาได้เยอะนะลองดูอ่ามาคำถามในอินบ็อกซ์จากคุณพุริกาค่ะกับพระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยนะคะตอนนี้ทุกใจค่ะเรื่องทะเลาะกับแม่พยายามไม่ให้เกิดเรื่องแล้วแต่ก็เกิดจนได้ดูทำอะไรมไม่มีความสุขไปหมดเลยค่ะก็เฉยเลย หัดตาใจเฉยๆเวลาอยู่ต่อหน้าแม่ก็พุทโธพุทโธไปแม่จะพูดจะบ่นจะว่าอะไรก็ปล่อยแม่ว่าไปเราทำเป็นทองไม่รู้ร้อนไปพุทโธพุทโธไปถ้าเราไม่พุทโธพอได้ยินนะมันจะใจมันจะอยากจะตอบโต้ทันทีแต่ถ้าเราอยู่กับพุทโธพุทโธเราก็จะเฉยๆท่านจะพูดอะไรก็ปล่อยทั้งพูดไป แล้วต้องพยายามนึกถึงบุญคุณของแม่อยู่เรื่อยๆว่าเนี่ยเราเกิดมาได้นี่ก็พ่อแม่เนี่ยปุ้มท้องเรามาตั้งก้าเดือนแล้วเลี้ยงดูเราม่ตั้งยี่สิบกว่าปีกว่าที่เราจะโตกว่าที่เราจะเป็นตัวของเราเองได้บุญคุณของแม่นี่ร้นฟ้าพระพุทธเจ้าววาต่อให้แบกพ่อแม่ไว้บญบาบันไหลให้ท่านอุจจาระปัสสาวะใยเราไปจนวันตายบุญคุณของท่านก็ยังใชไม่หมด ให้นำลึกถึงมูลคุณมากๆากก็จะทําให้เราไม่กล้าที่จะไปทะเลาะกับแม่ไม่กล้าไปว่าแม่ใครเราคิดว่าเราเป็นเหมือนขี้ข่าของแม่เราเป็นหนี้เราเป็นลูกหนี้แม่ก็เป็นเจ้าหนี้เราเวลาเราเจอเจ้าหนี้เราต้องเฉยเฉยเอาใจเขาอย่าไปทําให้เขาโกรธอย่าไปทําให้เขาเสียใจคําถามจากเฟสบุ๊กไลฟ์คำถามจากคุณพูดชวร มีเหตุการณ์หนึ่งค่ะคือถ่ายรูปแล้วใช้แฟลชกับพระาจาร์รูปหนึ่งทั้งที่เขาประกาศว่าห้ามใช้เพราะหลวงพ่อท่านแสบตาแต่ว่าคนอื่นวานให้เราทำเราไม่รู้ว่ากล้องไม่ได้ปิดแฟลชรู้สึกเสียใจมากรู้สึกผิดมากจะบากมากไหมคะไม้ยบาปมากเหรอก็เพียงแต่เราไม่รู้มันก็ถ้าทามากๆเดี๋ยวตาท่านบอดทนั้นเองคาถามจากคุณหาเนเงค่ะ การนัสมาธิที่มีวิตกวิจารปิติสุขนั้นอยากทราบว่าวิตกวิจารนั้นอาการเป็นอย่างไรอยากให้พระอาจารย์อธิบายหน่อยครับอเวลาเราพุโทโธแล้วเนี่ยกำกำลังวิตกวิจารเนี่ยเวลาเราพุโทโธนี่แสแล้ว่เาเร า, เราวิตกล้คือตรึกคําว่าวิตกแปลว่าตรึกเราตรึกอยู่คําว่าพุโทโธแล้วเราเราก็รูแ้แล้วก็ดูว่าเราเราพุโทโธอยู่อย่างต่อเ น, นื่องหรือเปล่ า, าก็เรียกว่าตรองวิตก วิจารวิจารแปลว่าตรองวิตกแปลว่าตึกเวลาเราพูดโธพูโทโธนี่เรากําลังตึกกาลังตรองอยู่กับคําพุโทโธอยู่ก็เรียกว่าวิตตกวิจารถ้าเราตึกตรองอยู่กับพูโทโธพุทโธทรไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวก็จะเกิดปิติขึ้นมาเกิดความสุขใจขึ้นมาน้ำตาไหลบ้างขนลุกเศ้าบ้างมีความรู้สึกเบาออเบาใจสบายใจนี่เรียกว่าผลที่เกิดจากการนั่งสมาธิ คำถามจากคุณนรง์ชัยคะ่ะพระรับเงินจริงๆแล้วผิดไหมครับมันเป็นความผิดไม่มากหรอกเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าท่านรับเราไปใช้อะไรมากกว่าถ้ารับเราไปซื้อบุหรี่ซื้อสุรามาเดิมเนี่ยมันจะผิดตรงนั้นมากกว่าแต่ถ้ารับมาแล้วเราเอาไปทําบุญทําทานไปสงฆ์ข้อโลกเนี่ยมันไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่าภาพส่วนใหญ่ภาพที่เป็นภาพที่ยังไม่มีได้ฝึกฝนอบรมจิตใจมันจะไปทางกิเลส แต่ถ้าพระที่ท่านได้ฝึกฝนเอาไปอบรมจิตใจดีแล้วท่านไม่ได้เาไปใช้ให้มันเกิดโทษท่านก็เอาไปทําประโยชน์สม้อโลกต่อไปบางทีมันท่านก็อยู่ในกรณีที่มันมีเหตุมีผลที่ท่านจะต้องรับกับมือท่านก็รับไปแต่ท่านไม่ได้รับแล้วไปซื้อบุหรี่ซื้อเหล้ากินหรือว่าไปซื้อหวยอยนี่มันไม่ได้มันไม่ได้มีความเสียหายท่านเอาไปแล้วท่านก็เอาไปทําประโยชน์ต่อไปช่วยสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียน ไปสงเคระคนเดือดร้อนคนทุกข์อยกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนการรับเงินแบบนั้นมันก็ไม่เสียหายที่ท่านห้ามห้ามพวกพระที่ยังยังมีกิเลสยังมีความหิวโหยอยู่เห็นเงินแล้วตาลุกวาวเดี๋ยวจะได้เงินไปเที่ยวมันยากโยอมอย่างนั้นเ น, นี่ยท่านจะไม่อยากให้ใช้เงินในแบบนั้นไม่ให้รับเงินในรูปแบบนั้นคําถามจากผู้ดูแลระบบเพเพพาริยะเจ้า ผมมีคำถามครับคือการตำหนิพระพิสุที่ทำผิดบาปไหมครับเพราะเห็นสายหนึ่งก็บอกว่าเป็นสิ่งผิดแม้พระอาจจะเป็นอาบัติปาราชิกแต่ถ้าเราเป็นไปตำหนิตายไปก็จะลงนรกกับอีกสายหนึ่งบอกว่าการตำหนิพระไม่ผิดและยังเป็นการเตือนพระให้ทาดีและยกเหตุผลว่าในยุคพุทธกาลทำมินัยหลายข้อเกิดขึ้นก็เพราะคารวะช่วยเป็นหูเป็นตา เลยอยากจะถามเรียนพระอาจารย์ครับว่าบาปหรือไม่คือคําว่าตําหนิมันแปลว่าอะไรล่ะครันี้ตําหนิก็คือไปว่าเขาใช่ไหมเราก็ต้องดูว่าเรามีหน้าที่ไปว่าเขาหรือเปล่า <laughs> ใช่ไหมถ้าเราไม่มีหน้าที่ก็อย่าไปว่าเขาอให้ปล่อยให้คนที่เขามีหน้าที่เขาว่ากันอพระสงองค์เจ้าท่านก็มีครูบาอาจารย์เป็นผู้คอยตําหนิติเตียนเอ เราเป็นคาราวะาเราอยู่ในฐานะเป็นลูกศิษย์ของพระไม่ใช่เป็นอาจเป็นอาจารย์ของพระเราก็ไม่ควรที่จะยกตนข่มท่านหรือตีตนเสมอท่านเพราะถ้าเราไปตําหนิท่านต่อไปท่านก็จะไม่สอนเราเมื่อคุณดีแล้วคุณมาตําหนิเราได้แล้วมาสอนเราได้แล้วเราก็ไม่ต้องสอนคุณใช่ไหมทีนี้เราต้องดูฐานะของเราว่าเรา มีฐานะที่จะไปําเนิติเตียนเขาหรือเปล่าอย่างลูกคนอื่นเขาไม่ดี <c oughs> คุณไปําเนิติเตียนลูกคนอื่นได้ไหมทําไมคุณไม่ไปําเนิติเตียนลูกคนอื่นนะทําไมต้องมาําเนิติเตียนพระล่ะ <sm all> <c oughs> ทำไมรู้สึกว่าพระนี่เป็นเป็นบุคคลที่ําเนิติเตียนได้ท่านใช่ท่านําเนิติเตียนได้แต่ท่านมีขอบมีเขตมีเหตุมีผลพระนี่ท่าน เปิดโอกาสให้พระร่วมกันนิตมิตรตีเตียนกันได้เวันปวานาตัวเนี่ยวันที่วันออกพรรษานี่พระทุกทุกจะต้องปวานาตัวประกาศบอกกับพระในวัดว่าหากท่านเห็นการกระทําของข้าพเจ้าก็ดีได้ยินก็ดีสงสัยก็ดีว่าไม่เหมาะไม่สมไม่ควรขอให้ท่านการุณาได้กล่าวตัมมิตรตีเตียนข้าพเจ้าด้วยเถิดพระก็มีระบบของเขาอยู่แล้ว เราเป็นค า, า, ารวาสเราไม่เกี่ยวข้องกับเขาเท่าหน่ไปยุ่งกับเขาทำไมไปตำหนิตีตีลูกคนดีกว่ า, าลูกคนกินเหล้าเมาย า, เ, าเล่นเกมไม่เรียนหนังสือเนี่ยไปตำหนิเถิดให้มันรู้จักหน้าที่รู้จักคนที่เราควรจะตำหนิไม่ใช่อยากจะตำหนิใครก็ตำหนิมันไปหมดแล้วก็อ้างอ้างเหตุผล108ร้อยแปดธนบการมาว่าตำหนิได้มันต้องมีขอบมีเขตมีเหตุมีผล อันนี้เราพูดไม่ได้ว่ากลัวว่าพวกคนจะตาหนินะอยากจะตำหนิก็ตำหนิไปแต่ถ้าจะพูดตามความความเป็นจริงอ่ะมันมันต้องดูการลาเทสะดูดูการลาเทสะดูดูบุคคลดูตนว่าคนที่เราจะไปตำหนินี่เราอยู่ในฐานะที่ตำหนิเขาได้หรือเปล่าควรควรตาหนิเขาหรือเปล่า อนี้ยเป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาก่อนพระพุทธเจ้าบอกว่าตําหนิใครก็ไม่สู้ตําหนิเราคุยถ้าอย่าชะนั้นตําหนิใครหันมาดูตัวดีกว่าไปอดูกระจกดูนิ้วมันชอบชี้ขออกนอกนองไหนอยากจะไอ้นิ้วมันงอไหมันจะได้ชี้กับข้างไหนบ้างไปตําหนิคนอื่นแล้วเราจะได้อะไรจากการเปนตําหนิเขาเราตําหนิแล้วเราได้ประโยชน์ใช่ไหม บอกไม่ดีเลยกินเหล้านี่ไม่ดีอย่าไปกินเนี่ยโกหกนี่ไม่ดีเลยอย่าไปโกหกเนี่ยทำไมไม่ตําหนิตัวแล้วทำไมชอบไปตําหนิคนอื่นเขาทําไมอถ้ามีหน้าที่ไปตําหนิเขาก็ตําหนิไปเสียมีลูกตําหนิได้เนี่ยถ้าเป็นอาจารย์สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาก็ว่าเก่าตักเตือนลูกศิษย์ลูกหาได้ไม่ใช่ว่าอยากจะไปตําหนิใครก็ไปตําหนิเขาโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีไม่มีฐานะไม่มีหน้าที่ที่จะไปทํา งั้นก็ขอให้พิจารณาอย่างรอบครอบก่อนงั้นเดี๋ยวบ้านเมืองมันจะวุ่นวายกันอนะ่ะเพราะมีแต่คนพอเขาเราไปตําหนิเขาเขาก็อยากจะตําหนิเราบ้างนะใช่ไมเพราะเราไม่มีใครตําหนิตัวเองกันนะ <c oughs> ควรมาตําหนิตัวเองดีกว่าแล้วสังคมจะดีขึ้นนะอาจารย์ครับอันนั้นพูดในส่วนของควรไม่ควรแต่ในส่วนที่เขาถามมาว่าบาปขนาดไหนครับอาจารย์และาจารยอไปเท้าไหร่ครับ ก็บาปติดบากมากไหมติดกรรมเยอะไหมัะที่กะโดมันในสี่ห้ามันก็ไม่มีเรื่องของการตําหนิว่าเป็นบาปเนี่นะมันอาจจะอยู่ในเรื่องของออไม่สัมมาวาจาหรือเปล่าคาพูดควรไม่สมไม่สมควรที่จะพูดมันอาจจะนำไปสู่ปัญหาต่างๆตามมานำสู่การทะเลาะวิวาทกันก็ได้แล้ว งั้นถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็เฉยๆดีกว่าบ้านเมืองจะได้สงบเราตำหนิเขาเขาก็จะตําหนิเราเพราะจากการตําหนิมันก็จะด่ากันตอนแรกก็ตํำหนิตําหนิแล้วก็ด่าพอด่าแล้วเดี๋ยวก็ใช้ไม้ใช้มือกันเดี๋ยวได้ก็ใช้มีดใช้ปืนกันเดี๋ยวมันก็กลายเป็นสงครามขึ้นมาแล้วก็เป็นเวรเป็นกรรมกันจองเวรจองกรรมข้ามภพข้ามชาติกัน งั้นอ่าพุ่ปากได้ดีที่สุดอย่างโบราณเข้ามาเลยนะที่พูดอะไรเราจำไม่ได้ละหนึ่งเสียตำงอ่าหนึ่งเสียตทองอ ะ, อะไรตำนองนั้นหรือนักบาทของของจีนเนี่ยก็บอกว่าเอาความสยบเอาความสงบสยบความเคลื่อนไหวดีกว่า เฉยๆไว้เขาจะชั่วไงเดี๋ยวเขาหยุดเขาเองอ่ะเราอยู่เฉย ๆ, ๆไว้ดีกว่าคำถามจากคุณวิวริยาพรค่ะพระอาจารย์เจ้าคะเหตุใดที่ทำความดีกับมารดาแต่มารดาไม่เห็นความดีของเรากับบอกว่าเราไม่เคยทำความดีให้เลยเจ้าคะคือความดีนี่ใครจะเห็นไม่เห็นมันไม่สำคัญถ้าทำแล้วมันดีททนะ่านั้นอ่ะงั้นเราไม่ได้ทาเพื่อให้เขาเห็นเานะ เราทำเพื่อเพื่อเราเองพราเวลาเราทำความดีแล้วเราดีเรามีความสุขเอาแค่นี้แหละที่เราไม่สุขเพราะเราไปหวังผลตอบแทนจากการทำความดีการทำความดีที่แท้จริงนี้เราไม่ต้องการผลตอบแทนจากใครเพราะการทำความดีนี่มันมีผลเยอะแยะไปหมดพระพุทธเจ้าบอกคนที่ทาความดีนี้จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะอยู่เป็นสุข หลับก็เป็นสุขเตือนก็เป็นสุขเวลานอนหลับก็ไม่ฝันร้ายแล้วก็จะไม่ตายด้วยอาวุธด้วยยาพิษเกิดจะไม่มีใครเขาจะมาฆ่าเราเพราะเราไ ม, ไม่ได้ไปทำความชื่อกับใครแล้วตายไปก็จะไปไปสู่สุขคติเนี่ยได้ต้องเยอะแยะแล้วจะมาหวังในคำขอบคำชมจากแม่เนี่ยอ๋อลูกดีเหลือเกินแ่เนี้ยแล้วมันได้อะไรจากคำชมอ่ะ มันก็เป็นลมปากเฉยๆเนั้นเองทําไปเถอะเดี๋ยวแม่มมเขาเห็นเองอะ่ะที่เขาที่เขาด่าเขาว่าเขา้องที่เขาอารมณ์เขาไม่ดีเขาเขาก็มีกิเดชเขาก็ต้องพูดระบายไปตามภาษาของเขาเองแต่เขารู้ว่าเราทำความดีเขาอย่างนั้นอย่าไปกังวลกับเรื่องคนอื่นเลยนะเวลาทำความดีเขาให้เราทำเพื่อเพื่อผลที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรา ที่เราไม่ต้องรอรับจากคนอื่นเคนทำคนทําดีเนะี่ยไปไหนมีใครนั่งเกลียดไหมไม่มีใครนังเกลียดมีแต่คนอยากจะให้อยู่วอาไปอยู่ที่ไหนก็ทําประโยชน์ไปช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้ไปทําความเสียหายให้กับใครแค่นี้ก็เห็นเห็นผลนะว่าการทําความดีดีอย่างไรในหลวงท่านก็เคยบอกว่าปิดทองหลังพระดีกว่าได้บุญเยอะกว่าเราไม่ทําบุญเพื่อเอาหน้าเอาตาเอาชื่อเอาเสียงเอารางวี่เอารางวัล เราทําเพื่อเป็นปฏิบัติบูชาก็แล้วกันบูชาพระคุณพ่อแม่บูชาพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะการกระทําความดีนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่ทําให้เราดีทําให้เรามีความสุขทําให้เราเจริญทําให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้มองตรงนี้ดีกว่าเอามาจะถามเลย อยากจะถามเรื่องอสุภกรรมฐานนะคะอ่าว่ามาคือเวลาเรากาหนดกาหนดดูแล้วค่ะมันลูกค้ามันมองไม่เห็นเลยนะคะมันมีวิธีไหนที่จะกาหนดมันง่ายง่าบ้างคะคือการการเห็นนี่มันเห็นได้มันมันจำมันไม่จําเป็นจะต้องเห็นภาพเพรา้ยนะเห็นด้วยความความคิดเนี่ยอย่างสมมติหนูชอบดูลําไส้ค่ะก็คิดก็คิดคิดถึงลำไส้แค่นี้มันก็เห็นแล้ว ไม่ต้องเห็นภาพไม่ต้องเห็นภาพไม่ต้องเห็นเไม่ต้องห็นภาพหให้เห็นว่ามองใครก็เห็นนลำไส้เขาก็พอแล้วคิดถ <c oughs> ึงนลำไส้เขาก็พอแล้วคือคิดเพื่อที่ให้เราหยุดความหลงแค่บอกว่าอยู่อยู่แล้วก็นึกขึ้นมาเลยได้ไหมคะได้ต้องนั่งสมาธิต้องดูลมหายใจต้องอะไให้มันสงบก่อนสักพักคือถ้ามันสงบมันก็จะทําให้เรา เราลึกได้ง่ายเราลึกได้บ่อยเพราะว่ากิเลสมันถูกตัดกำลังลงถ้าเราไม่ทำสมาธินี้กิเลสมันมีกำลังมากมันจะชอบให้เราไปคิดถึงภาพสวยๆงามๆแทนเราก็เลยไม่ได้นึกถึงภาพที่ไม่สวยไม่งามของร่างกายถ้าพอกิเลสมันถูกตัดกำลังลงเราก็สามารถนึกถึงภาพอสุภะได้ง่ายขึ้น แล้วจะอาการลังเกียดที่จะดูภาพมันก็จะน้อยลงไปความลังเกียจนี้เกิดจากกิเลสกิเลสม่ชอบดูภาพอัสุภาเราจึงต้องทำสมาธิให้มันสงบพอสงบแล้วกิเลสมันถูกตัดกำลังลงมันจะทำให้เรากล้ามองภาพที่ไม่สวยไม่งามได้งั้นถ้าเราถ้าเราสามารถมองได้แล้วเราก็ไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้เราเคยเรียนแพทย์เราเคยไปดูเราเคยไปผ่าศพอยู่ไม่ใช่เหรอเราจานึกไม่ถึงจําไม่ได้แล้วเหรอ ที่เราจะทำค่ะหนูรู้สึกประหลาดใจเป็นว่าที่บอกพอเราอยากจะดูพวกมั น, ม, น ม, มันมืดไปหมดเลยมันมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะก็นึกเห็นนึกถึงตอนที่เราผ่าศพนึกตอนนี้นึกนึกถึงไหมเหน็นตอนนี้เห็นอ่าก็เห็นก็พยายามนึกอย่างนี้ให้นึกอย่างนี้นหละไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ ม, ใหมันเห็นภาพอะ่ะนึกถึงเหตุการณ์ที่เรากําลังเคยผ่าศพอยู่เวลาผ่าเวลาเราเห็นตับเห็นไตเห็นลาไส้เห็นอะไรต่างๆแค่นี้ก็พอละ พอทำให้หยุดการมาอารมณ์ได้ก็ใช้ได้นะไม่จําเป็นจะต้องเป็นภาพแบบแบบมโนภาพขึ้นมาในใจเลยเหอเป็น เ, เป็นนา ม, มาทําไปก็ได้ป่ะใช้อะไรเหมือนไล่ไล่ไปแต่ บ, บางครั้งมันนึกไม่ไหวก็พราะเราไม่ค่อยนึกไหวไงต้องหันนึกบ่อยๆมันถึงจะเร็วมันถึงจะชานานะ เรื่องเงินนี่แหมวัยแล้วเกินใช่ไหมวันนี้กี่ร้อยกี่พันนี่ไม่ต้องเห็นตัวเลขเพไม่ต้องเห็นตัวเลขใช่ไหมเพียงแต่บอกว่าล้านหรือแสนแค่นี้ก็ ก, ก็ก็รู้แล้วใช่ไหมเอออาแบบนั้นก็พ อ, อพอรู้ปับ๊บเราเกิดอารมณ์ที่ได้จากการรู้นี่ก็ใช้ได้พอคิดถึงเงินปับ๊บโอ้ดีใจวันนี้ได้ล้านหนึ่งยังไม่ได้เห็นตัวเลขเลยเพียงแต่รู้ว่าล้านนึงขึ้นมานี่ก็ดีใจแล้ว ก็อย่างเงี้ยพอเกิดถูกขโมยไปล้านนึงก็เราอยู่ตรงเนี้ยเรานึกถึงแฟนเนี้ยไม่เห็นหน้าเห็นตาเขาเพียงแต่นึกเขาก็เกิดความสุขใจขึ้นมาแล้วแต่พอเราไปนึกถึงอสุภะของเขาเนี่ยความอยากในตัวเขาก็จะหายไปเข้าใจไหมไม่ต้องไม่ไม่ต้องเห็นภาพหรอกให้นึกถึงชื่อมันก็พอไม่ต้อง เ, เรี้ยกตับก็ได้ไตก็ได้กระเพาะก็ได้ลำไส้ก็ได้กระโหลกก็ได้เนี่ย เวลาเรามองหน้าใครก็บอกกระโหลกกะโหลกศีรษะหน้าตาของคนแล้นี่คืออะไรมันก็หนังหุ้มกระโหลกศีรษะนี่เองเนะีหน้าตาเรานี่เป็นหนังเหมือนเป็นหน้ากากนหน้ากากที่หุ้มหอ่อถ้าเราถอดหน้ากา ก, ากออกนี่เหมือนกันหมดนข้างในนะก็คือกระโหลกศีรษะนี่แต่เราไม่เคยคิดถึงมันนะมันก็เลยไม่เห็นใช่ถ้าเราคิดบ่อยๆมันก็เห็นแล้วเห็นด้วยความคิดไม่ต้องเห็นด้วยมโนภาพเข้าใจไโอเค <c oughs> คำถามจากคุณบอยวัดนาคขอเรียนสอบถามว่าทำข้อใดควรใช้ในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติควรใช้ทำข้อใดครับในชีวิตประจําวันก็ต้องใช้เมตตาเนะีย่ยชอบแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เราใช้กับชีวิตประจําวันไม่ใช่แผ่ตอนที่เรานั่งนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์แล้วแผ่ตอนนั้นไม่ได้แผ่ก็ยังนะตอนนั้นเพียงแต่ท่องชื่อ ท่องวิธีแผ่ว่าสัพเพสัตตาเอาเวลาโหงตุการส่วนดการการส่วนนี่ไม่ได้เป็นการแผ่การแผ่ต้องเจอกันยในชีวิตประจําวันเตรียมกระเป๋าเตรียมเงินว่า เ, เจอขครก็ฟักมาให้เขาเลยอาวันนี้ใจดีว่าเอาไปคนละร้อยเรียกว่าแผ่เมตตาอาจารย์นะเรีวยกว่าถ้าโกรธเกลียดใครก็เออเราอย่ามีเรื่องกันนะเราให้อภัยแั้ว น, นะไม่โกรธกันแล้วนะมาเป็นเพื่อนกันดีกว่า อันนี้เ ร, เรียกว่าแผ่เมตตาคนเราเข้าใจผิดสมัยนี้ชอบแผ่คนเดียวชอบแผ่ตอนที่นั่งสมาธิไหว้าเสร็จบนเสร็จแล้วนั่งแผ่ไปสับเพสตตาเหล่ากรรมนเวรขาให้หายไปหมดมันยังไม่ได้แผ่มันเพียงแต่ท่องเป็นการเตือนใจสอนใจเป็นการหัดแผ่แต่เวลาแผ่จริงๆต้องมีการกระทําประกอบทางกายทางวาจาอ ทางใจเจอคนที่เราโกรธเกลียดก็ยืมให้เขาเลยเป็นไงสบายดีเลยลืมเรื่องที่โกรธเกลียดกันไปเลยเ อ, อ, อย่างนี้แหละแผ่เมตตาเขาเขายืมเงินอาไปแล้วเขาทำเป็นลื ม, ล, มล้วก็ลืมไปเลยก็ได้ไม่ต้องไปจำมันคือว่าเอายกให้มันไปทำบุญทำทานไปอันนี้เลยก็แผ่เมตตาถ้าจะคอยจ้องจะเอาเงินคืนแล้วก็โกรธเกลียดเขาเนี่มันก็ไม่มีความสุขและไม่ได้แผ่ เดี๋ยเวลากโกรธใครเนี่ยก็ต้องให้อภัยเขาเลยเอาไม่กันไรไม่แป็บางทีใครเ็าเดินมาชนเราโดยที่เขาไม่ได้มองมองไม่เห็นบางทีมันสติสตังไม่ดีมันกำลังเดินคิดถึงเรื่องอะไรอยู่มันก็เดินมาชนเราเนี่ยเราก็ไปโกรธมันไปเกลียดมัน น, นี่ก็ไม่ได้แผ่เมตตาแล้วนะเข้าใจไหมคนที่ถามว่าในชีวิตประจำวันนี่จะให้ใช้ทาอะไรให้ใช้เมตตาเวลาที่เราพบปะกัน ตอนเวลาที่เราปฏิบัติเราอยู่คนเดียวก็ให้ใช้สติจเจริญสติ <c oughs> <c oughs> พุโทโธพุโทโธ <c oughs> อย่าคิดอะไรขอหยุดความคิดต่างๆถ้านั่งหลับตาได้ก็นั่งหลับตาแล้วใจจะสงบแล้วก็จะมีความสุขคำถามต่อไปคำถามใน inbox จากคุณจตุพรค่ะทำอย่างไรจึงจะสามารถให้อภัยกับคนที่มักจะสร้างความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่ของเราอยู่เสมอ เมื่อใดที่พอสอยวางได้ก็มังจะสร้างเรื่องขึ้นมาอีกทําให้มีความโกรธเกลียดจนให้อภัยไม่ได้สักทีค่ะก็คิดว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรของพ่อแม่ไปก็แล้วกันพ่อแม่คงเคยไปทําเวรทํากรรมกับเขามาเขาก็เลยต้องมาเรียกคืนเราไปห้ามเขาไม่ได้เราไปห้ามเวรกรรมของพ่อแม่ไม่ได้เราต้องท่องบทนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน จะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นมันเป็นกรรมของพ่อของแม่ที่ไปมีคนที่มาคอยจองเวรจองกรรมกับพ่อกับแม่พ่อพ่อแม่ในอดีตก็คงเคยไปทำเวรทากรรมกับเขามาก่อนเขาก็เลยต้องมาเป็นเจ้ากรรมในเวรกันคำถามจากคุณปุ้มค่ะถ้าเราซื้อเนื้อหมูไก่จากพ่อค้าแม่ค้ามาทาอาหาร ถือว่าผิดศีลข้อหนึ่งหรือไม่คะถ้ามันตายแล้วก็ไม่ผิดถ้ามหมูตายแล้วไก่าตายแล้วไปซื้อมาก็ไม่ผิดถ้ามันยังไม่ตายแล้วเรามาฆาคนี่ก็ผิดคําถามจากคุณินีนาศ <c oughs> กาบเรียนถามว่าเราต้องทํางานร่วมกับครูผู้หญิงที่ชอบดื่มเหล้ากิริยาวาจาคําพูดไม่ดีชอบเอะอะโวยวายทั้งต่อหน้าผู้ร่วมงานเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับนักเรียน แต่ก็ไม่มีใครกล้าว่าเจ้าตัวกลับเห็นว่าตัวเองดีประพฤติตัวไม่เหมาะสมหนูเห็นแล้วรู้สึกไม่ดีบางทีทาให้บางทีก็ทำไม่เห็นพยายามดิกเรียงเห็นแล้วเหนื่อยใจทำไมผู้ใหญ่ไม่กล้าว่าหนูควรทำตนอย่างไรคะเราก็อย่าไปอยากให้เขาทำอย่าง อ, างอื่นเสียงก็ปล่อยเขาทำไป <S <S 2> <S 2> ความไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยากของเราให้เขาไม่ทาอย่างที่เขากาลังทาอยู่มันก็เลยทาให้เราไม่สบายใจ ก็ไปมองมองเขาว่าเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศกนแล้วกันเราไปบังคับไปสั่งให้ฝนตกได้ไั้มหรือสั่งให้ฝนหยุดได้ไั้ยฝนมันจะตกมันก็ตกฝนมันจะหยุดมันก็หยุดคนมันจะดื่มเล้ามันก็ดื่มเมื่อเราไปสั่งก็ไม่ได้ห้ามก็ไม่ได้เราเราจะทำยังไงเราก็ต้องปล่อยเ็าดื่มไปแล้วเดี๋ยวถึงเวลากรรมมันก็ตอบสนองเองแนหะไม่ช้ก็เร็วเดี๋ยวก็ต้องมีผลตามมา ใครทำกรรมันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นให้ท่าอกอันนีไว้อาจารย์เจ้าค่ะลากลับเอ้าค่ ะ, ะได้ตามสบายก็ไม่มีเวลาคุยนะนอกจากถ้าถ้ามีคำถามก็ตอบได้แต่ถ้า <c oughs> ใช้คงสอนพระอาจารย์ไปบอกแม่เวลาเขาดื้อเขาเาไม่ยอมแบบลุกขึ้นหัดเดินก็ค่ก็จะบอกว่าแม่พระอาจารย์บอกว่าให้เชื่อหมอพ่อหมอบอกว่าให้เดินให้หัดเดินไปบอกเขาก็เขาก็เริ่มดีขึ้นสักค่ะเดี๋ยวกำลังใจรับเขาไม่อยู่สาวนอนชิ้นเหรอนี้สกค่ะก็ดีทาไปได้มีคุณแม่มีบุญคุณกับเรามาก ดูแลแม่บอกเท่ากับได้ดูแลพระอรหันต์ได้บุญมากต้องอดทนนะๆๆคำถามทาง YouTube จากคุณอากาลิโกค่ะการที่อยู่ที่เดิมนานๆจิตไม่ค่อยมีกำลังเลยครับควรทำอย่างไรมีวิธีทำอย่างไรครับวิธีจะสร้างกำลังก็คือการเจริญสตินี่แหละ ต้องขยนททนะันพุทโธนะมันพุทโธพุทโธไปหัดพุทโธตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็ท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวกำลังมันก็จะเกิดขึ้นเองคำถามจากคุณสุเมธภรรยาผมเป็นคนชอบโมโหง่ายจะทำอย่างไรจะช่วยเขาได้ครับก็ต้องถามมาก่อนว่าเขาอยากจะให้เราช่วยเขาเปล่า วันที่ชอบไปเสือกว่าครับแล้วจะทําไงให้ดับโมโหได้อย่างเร็วที่สุดก็อยาหยุดความอยากไงอย่าไปอยากให้เขาทํานู่นทํำนี่เราก็ไม่โมโหละปล่อยเขาทาตามใจเขาก็อยากจะทําอะไรก็ปล่อยว่าทําไปเราก็ไม่โมโหละที่โมโหเพอยากให้เขาไม่ทําหรืออยากให้เขาทา พรก็ทำหรือไม่ทมาําก็โมโหขึ้นมาทันทีก็ปล่อยมันเลยมันอยากจะฆ่าตัวตายใช่ไหมฆ่าตัวตายไหมมันอยากจะกินเนามก็ปล่อยมันกินไปมันไม่เดือเราไม่ได้เดือดร้อนเท่าไหร่ไปเดือดร้อนแทนก็ทําไมแล้วก็ไปทุกไปเสียใจใช่ไหมไปโกรธเขาเอีกสมมุติว่ามีคนมีคนกด ก็ไม่ต้องทําอะไรไงปล่อยก็ทําไปเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็หยุดเองไงแล้วชาติต่อไปมันเคยอ่านเจอถ้ามนหยุดแล้วก็หยุดไปเขาก็ไม่มายุ่งกับเราแล้วพอเขาได้ระบายได้ทําน้ำที่เขาอยากจะทําเสร็จแล้วเขาก็เหนื่อยแล้วเขาก็หยุดแล้วก็เาก็จะทำไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาเหนื่อยอ่าหมดแรงแล้วอแล้วชาติสมมุติว่ามันมีชาติชาติต่อไปที่ชาติต่อไปอ่าก <ๆๆ S 2> ็หมดน้ำเราจะได้เจอเขาติดไห ถ้าได้เจอก็ไม่มีปัญหาเลยก็เจอแบบคนที่เราเจอที่ไม่มีอะไรกันเจอแบบไม่มีอะไรกันเขาก็จะไม่มาพูดมาทำอะไรให้เรามีความรู้สึกไม่ดีคำ ถ, ถามจากคุณณพลเคยได้ยินคำกล่าวว่าจิตคือขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าถ้าจิตที่ฝึกให้มีกาลังดี แล้วคือจิตมีความละเอียดมากขึ้นจะสามารถกำหนดให้น้ำสุกได้สามารถทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้อย่างนี้มีจริงไหมครับและถ้ามีจริงสีลที่เรารักษามีความสัมพันธ์และเกี่ยวพันกับพลังอย่างนี้อยู่ไหมครับอ๋อไม่รู้เลยคุณไปลองพิสูจน์ดูเอาเองก็แล้วกันคำถามจากคุณชิน เราจะทํำยังไงดีคนที่พยายามโยนงานให้เราก็รับไปสิถือว่าเป็นบุญ <c oughs> ย, ยิ่งทาได้เยอะยังมีผลงานเยนอะคุณจะยินดเีเขามีคําพูดไม่ใช่แล้วคนเราวัดวัดกันด้วยที่ผลงานใช่ไหมคนที่มีผลงานก็เป็นคนแสดงว่ามีฝีมือมีประโยชน์คนที่ไม่มีผลงานก็แสดงว่าไม่มีฝีมือไม่มีประโยชน์ เวลาเ้าจะเลือกคนเวลาจะคัดคนออกจากบริษัทเก็จะเลือกคนที่ไม่มีผลงานคนที่มีผลงานก็จะเก็บเอาไว้งั้นต้องดีใจที่เขาโยนงานให้เราก็เรามาหางานทำไม่ใช่เหรอเวลาไม่มีงานทำก็ม่วนพอมีงานก็ม่นเองเนต้อถามจากคุณอธิพันธ์ค่ะการเปลี่ยนสภาพจากสภาวะนั่งสบายหรือชานไปสู่การวิจาสนามีเทคนิคอย่างไรครับ ก็ไม่มีอะไรก็ลุกขึ้นมาเดินแล้วก็มาคิดเรื่องวิปัสสนาแทนคิดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรื่องอสุภะเรื่องอะไรไปนี่ก็เรียกวิปัสสนาละคำถามจากคุณสมปองการทําป้ายคําอธิษฐานนั้นได้บุญหรือไม่ครับคํำป้ายอธิษฐานมายถึงคนเข้ามาให้ทํานีได้บุญหรือเปล่าถ้าเราไม่เก็บตังค์เข้าก็ไ ม, ถไม่ถ้าไม่เก็บตังค์ก็ได้บุญเลยทำฟรีก็ได้บุญ <c oughs> <ไ>ทำอธิษฐานไว้ไปวางไว้ทำจุดต่างๆแล้วคนอธิษฐานตามอะไรเงี้ยครับก <c oughs> ็นั่นแหละก็ทําให้ไม่ได้ไม่ได้เก็บตังก็ <ๆ S 2> ก็ได้บุญก็เป็นธรรมทานเอาธรรมะบาวางให้คนก็ได้เห็นได้อ่านคาถามจากคุณพิทิสเราจะรู้อย่างไรว่าสมาธิภาวเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสมาธิภาวนาเราทําอยู่ขั้นไหนคณิกะสมาธิอุจาระสมาธิอัปปานาสมาธิ เจจาระคือบางทีเราก็ต้องอ่านดูเราถึงจะรู้ว่าสมาธิชนิดต่างๆเป็นอย่างไงเหมือนกับเวลาที่เราจะไปซื้อของบางทีเราก็ไม่รู้ของเป็นอะไรแล้วก NO ็ต้องอ่านก่อน ว่าเราจะไปซื้อของชนิดนี้มีคุณสมบัติอย่างไรอย่างนีน้พวกสมาธินี้เขาก็มีคุณสมบัติของเขาคันธิกะสมาธิก็คือจิตรวมลงเข้าสู่ความสงบหอกหนุมตกบอ่อลงไปแล้วก็นิ่งเดียวเดียวแล้วก็ถอนออกมาเหมือนเด้งออกมาเหมือนเข้าไปปุ๊บแล้วก็ถูกถี่บออกมาใหม่นี่นเรียกว่าคันธิกะสมาธิถ้าเข้าไปแล้วแช่อ ย, อยู่นานก็เรียกว่า อปปนาสมาธิถ้าเข้าไปแล้วออกมาครึ่งหนึ่งแต่ไม่ออกมาหมดออกมายังอยู่ในสมาธิแต่ไม่ไม่ใช่เป็นสมาธิที่นิ่งเป็นสมาธิที่มารับรู้มนิมิตรต่างๆมามีตาทิพย์หูทิพย์มาติดต่อกับกายทิพย์ได้มาอ่านวาลจิตของคนอื่นได้อันนี้เรียกว่าอุปจาระสมาธิไม่ใช่อุจาระสมาธิ <laughs> อุปจาระสมาธิเนี่ยก็มีสามชนิดเนี่ยกานั่งก็จ ะ, จะจะอาจจะเจอแต่ยากคนที่จะเจอนี้ต้องเป็นคนที่ปฏิบัติตลอดอย่างเดียวถ้าเป็นคารวะนั่งวันละครึ่งชั่วโมงนี้อย่าไปฝันเลยยังยังไกลเหมือนกับจะไปไปโลกพระจันทร์่แต่ยังไม่มีจรวดองเงี้ก็ได้ดูแต่โลได้ได้แต่ดูดวงจันทร์ไปก่อ น, นถ้าอยากจะไปถึงดวงจันทร์ต้องไปซื้อถั่ว ขึ้เครื่องจรวดไปถึงจะไปได้คนที่จะไปสู่สมาธิเหล่านี้ได้ต้องต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนไม่ทําภารกิจอย่างอื่นจเจริญสติตลอดเวลาแล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมถ้าอย่างเนี้ยถึงจะถึงจะเข้าสู่สมาธิเหล่านี้ได้คำ ถ, ถามจากสามเณรพิทิวัตรจริงไหมครับพระอาจารย์ที่เขาว่ากันว่าพระที่มัคทาผิดพระวินัย ผิดศีลจะเจริญภาวนาไม่ค่อยได้และไม่พัฒนามันก็จะไม่มีเวลามาภาวนาสิมันก็จะเอาเวลาไปทำผิดศีลใช่นไปนั่งกินเหล้ากันอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิกันไปนั่งดูหนังฟังเพลงกันไปเล่นเกมกันอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิกันศีลาานีมนม้มีไว้เพื่อกานไม่ให้ไปทำปกิจกรรมต่างๆเพื่อจะได้เอาเวลามานั่งสมาธิกันมาเดินจงกรมกัน คำถามจากคุณปรีกวิเวกพระอาจารย์ครับคนที่ไม่มีโอกาสได้บวชมีโอกาสจะไปนิพพานได้ไหมครับยากนอกจากมีบุญเก่ามีบุญเก่ามาเยอะสามารถที่จะปฏิบัติได้โดยที่ไม่ต้องบวชคำถามจากคุณมาลินักปฏิบัติไม่ควรครบสนิทกับเพื่อนที่ไม่ปฏิบัติใช่ไหมคะก็ไม่ควรครบเลยเพราะว่ามันจะทาให้เขา เขาจะชวนเราไปเลยทางที่เขาไม่ปฏิบัติเนี่ยเขาจะชวนเราไปเที่ยวชวนเราไปทำอะไรทางทางตาหูจมูกลิ้งกายดงนั้นควรจะคบกับคนที่ชอบปฏิบัติด้วยกันดีกว่าเพราะว่าเขาจะได้ชวนเราไปปฏิบัติกันพระพรทเจ้าบอกให้คบมันดิดมันดิดก็คือคนที่ชอบปฏิบัติไม่ให้ไม่คบคนพาลคนพาลแปลว่าคนโง่คนโง่ก็คือคนที่ไม่ชอบปฏิบัติ ถามจากคุณสุภานะัทการทํางานด้วยปัญญาต่างกับความอยากอย่างไรครับปัญญาก็เป็นปัญญาความอยากก็เป็นความอยากมันคนละเรื่องกันความอยากก็คือต้องการสิ่งนั้นต้องการสิ่งนี้นก็เรียกว่าเป็นความอยากปัญญาก็คือความความใช้เหตุใช้ผลนี่เรียกว่าปัญญาเข้าใจไหมปัญญาก็คือความรู้ี่ยคุณนี้ดีกว่าความรู้ ที่เราไปโรงเรียนนี่เราไปเรียนเพื่อให้เกิดปัญญากันแตป่ปัญญาที่เราได้จากการไปเรียนหนังสือนี่เป็นปัญญาทางโลกเป็นความรู้ที่เราสามารถเอามาใช้ท ร, รมาหากินได้เช่นไปเรียนเป็นหมอ เ, เราก็จะเอาความรู้จากการเรียนเป็นหมอนี่มาใช้ในการทรมาหากินเปิดคลินิกไปทางานโรงพยาบาลได้เงินเดือนถ้าไม่มีความรู้ก็ไม่สามารถที่จะไปทางานหลังนี้ได้เรียกว่าปัญญา ส่วนความอยากก็คือความอยากเอยความอยากก็คืออยากได้นูน่นอยากได้นี่อยากมีเนั่นอยากมีนี่นมนหมดได้ยังยังค่ะเอาอีกสักสองเงนคําถามจากคุณณพลค่ะเคยมีผู้มีพระคุณได้สอนว่าเมื่อเวลาที่เราไปวัดทําบุญเมื่อไปทาบุญกับพระถ้าเราไม่ทราบว่าพรานั้นดีหรือไม่ดีให้เราทําใจกลางๆแล้วให้ราลึกในใจว่า ถ้าหาพระดีเราก็ได้ทำบุญถ้าหาพระไม่ดีก็ให้คิดเสียว่าเป็นทานทำบุญหรือทานไปอย่างไรก็ไม่มีขาดทุนเพราะเป็นการทำความดีและผมก็ไม่ต้องไปตาหนิลระที่ไหนเช่นนี้ผมคิดผิดไหมครับไม่ผิดหรอถูกแล้วเป็นการทำบุญเน่คือทำบุญกับพระทาบุญกับโยมก็เป็นบุญเหมือนกันคำว่าบุญแปลว่าความสุขใจที่ได้จากการให้ เสียสละข้าวของเงินทองแก่ผู้อื่นไปการให้การเสียสละข้าวของเงินทองนี่เรียกว่าทานให้พระก็ทานก็เป็นทานให้กับโยมก็เป็นทานเพราะเป็นการให้เหมือนกันส่วนผลที่เราได้รับก็เรียกว่าความสุขใจอย่างที่ที่อธิบายให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยเวลาเราทําบุญแล้วเราเกิดความสุขใจขึ้นมาไม่ว่าเราทํากับใครก็ได้ความสุขใจเหมือนกัน เหตุที่เขาให้เราเลือกทํากับพระเพราะว่านอกจากความสุขใจแล้วเราได้ฟังธรรมอย่างวันนี้เราได้ฟังธรรมเราก็ได้ปัญญาเป็นของแถมอันนี้จะได้จากพระที่มีปัญญาถ้าเราไปทําบุญกับพระที่ไม่มีไม่ใช่เป็นพระนี่เขาก็จะไม่รู้ไม่มีความรู้ทางศาสนาเขาก็จะไม่สามารถให้ปัญญากับเราได้แต่เราก็ยังได้บุญจากการที่เราเสียสละเงินทอง ให้กับพระนั้น ร, รูปนั้นไปเพราะว่าเราได้กำจัดความอยากที่จะใช้เงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยอันนี้เป็นเราทำกับใครก็ได้ในกรณีนี้ถ้าเราอยากจะได้ความสุขใจอยากจะได้กำจัดความโลภที่อยากจะไปซื้อข้าวของต่างๆเราทำกับพระก็ได้ทำกับพ่อกับแม่ก็ได้ทำกับเพื่อนก็ได้ทำกับใครก็ได้อย่าทากับตัวเราเท่านั้นเอง อย่ากไปซื้อของให้กับตัวเราซื้อของเราไปให้คนอื่นได้อยู่เท่านั้นเองเราต้องการจะตัดไอ้ความเห็นแก่ตัวความอยากจะทำอะไรให้กับตัวเราเองเพราะมันทำเท่าไหร่มันจะไม่อิ่มไม่พอมันอยากจะทําอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าทําให้คนอื่นเนี่เดียวเดียวมันพอละมันไม่อยากอีกข้อนึ่งคาถามจากคุณทอง เวลาคนนินทาหรือว่าร้ายหนูจะมองเขาเหมือนเขาไม่มีตัวตนเวลาเจอเขาโยมจะมองทะลุไปเลยแต่โยมทําอย่างนี้เขาก็ยิ่งโมโหโยมบาปไหมคะจะไปบา ป, ปเลแล้วไม่ได้ไปทํำอะไรเขาเขาจะรู้ยังไงว่าเราเรามองเขาอย่างนั้นแล้วเขาจะมายิ่งโมโหได้ไงเราคิดไปเองหรือเปล่าเขาไม่รู้หรอกว่าเรามองเขายัางไงเราจะมองเขาเป็นหมาก็ได้อ <laughs> ชอบเห่าแล้วก็ันตัวนี้ <laughs> อมันเขาไม่รู้หรอกถ so ้าเราไม่ไปพูดไปบอกเขาอย่งนั้นเขาจะยิ่งโมโหก็เป็นเพราะว่าเราไม่ไปตอบโต้เขาพอเราไม่ตอบโต้เขาก็ยิ่งโมโหใหญ่ย hmm ิ่งว่ามันยิ่งไม่มันเฉยก็ยิ่งโกรธใหญ่อย่างั้นก็เป็นเรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้เราอย่าไปตอบโต้ดีกว่าเพราะตอบโต้มันจะทําให้เขายิ่งโมโหมากขึ้นด้วยซ้ําไปะถ้าเราไม่ตอบโต้อาจจะโมโหน้อยหน่อยก็ได้แล้วถ้าเราไม่ตอบโต้ไปนานๆเขาเดี๋ยวเขาก็เหนื่อยเขาก็หยุดเอง